นราสะโพเนเกสโเบาเวสุติงสปารมีนามิศิราสานิจังปุเรตวะอาคตวรังโมขังนาโทภิชันโตดาวยังหิตวาสรรทะกัง โมทังวเนสุดุการังนา ม, ามิศิระสาทรางังพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัตนับพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดพระนาถะทรงปราถนาโมกษธรรม สระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมด้วยแว่นแควนแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทำสิ่งที่ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวตัดสามมูรังมหายานโอเปซิโพธิมันเรตัดสาบุทธสปาเดจา สะโพดโยนามามิหังพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระญาตอันยิ่งใหญ่สเสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ์ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิพฤกษ์นั้นภาควาอาคมาเคนาปัญจมาเรอเสสโตพันชิตตวานาเสขาปโต สปาลังคังนามามิตังขันตวะมุนิวโรตัมหัอนิมิเสวราเสนคคเนปุณจันโดวาซานิมิสังนามามิตังวันตามิโซนเพนาโททศตวะปาติหาริยัง วสาโทยจังกะมีสจังกะมังนามมิตังโตรณนาถิตสังกาโซโลกะโครัตนาคเรโตเซสิชนังรังเสหีสคราหังนามมิตังพระผู้มีพระภาคทรงชนะมารทั้งห้าคือกิเลสมารมัจุมารเทปุตมานอภิสังขารมานและ มัจจุมานกล่าวคือความตายพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอารัตมขยานนะทรงบรรลุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระจอมุนีเสด็จจากโพธิพึกได้แล้วเสด็จประทับนะสถานที่อันประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกะพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็ญบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่ประทับอันไม่กระพริบพระเนตรนั้นด้วยเสียงกล้าวพระนาถาเจ้าผู้คลายอามิตรกล่าวคือกิเลส ท, ทุกหมู่เหล่าได้แล้วทรงสแสดงยมะกะัปฏิหารอันน่าอัศจรรย์สเสด็จจงกรมองค์อาจดังราชสียสนรัตนาจงกรมเจดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพราะองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้น พระไตรโลกนาถผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในสากลจักรวาลผู้เปรียบดังเสาเขื่อนอันมั่นคงเสด็จประทับอยู่ในรัตนคระเจดีเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมนัดด้วยพระรัศมีกล่าวคือพระฉับพันละลังสีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนคระเจดีคือเจดีเรือนแก้วนั้นเป็นนิจ ขอนอบน้อมพระธรรมที่พระบรมศา ส, าสดาทรงตรัสรู้ทั้งหมดขอขอนอบน้อมโมพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายด้วยเสียนก้าว <c oughs> ขอความเจริญในธรรมยังมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่ได้มีศรัทธาคือตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบำเพ็ญพระบารมี บารมีสิบอุป ป, รปรารมีสิบปรมาภะบารมีสิบบำเพ็ญพุทธการกธรรมบำเพ็ญบารมียี่สิบอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากัป บ, บำเพ็ญพระบารมีสาสิบทัตนับพบนับชาติไม่ถ้วนเราท่านทั้งหลายทำไมเราจึงรักพระพุทธเจ้าทำไมเราถึงศรัทธาพระพุทธเจ้าเราจึงเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอะไรให้เราเชื่อมัน่น ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญทานบารมีบำเพญ็ญศีลบารมีเนคขม่าปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาบารมีทรงบำเพ็ญอุปบา ร, รมีสิบและประมัทบารมีสิบอย่างยิ่งยวดอย่างยาวนานในวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตอนที่เกิดเป็นสุเมธาดาบทท่านจะบรรลุในวันนั้นก็ได้ถ้าท่านฟัง พุทธพจน์หรือคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเพียงสองบาทคาถาครึ่งนะฟังแค่นั้นแหละท่านก็จะได้ตัดสรุ้เป็นพระทหารหนึ่งรูปภายในพระทหารสี่แสนรูปวันนั้นท่านสามารถทงตลอดอริยสัตย์ได้แต่ท่านก็ยับยั้งใจของตนเองไม่ให้ตัดสรุ้เพราะอะไรท่านบอกว่าถ้าท่านบนรรลุในวันนั้นท่านก็บรรลุในเพศที่บุคคลที่ไม่รู้จักคาว่าไม่รู้จักคืออะไร ก็คือไม่สามารถยังใจให้มหาชนให้ชื่นชมยินดีในตัวท่านได้บุคคลที่จะบําเพ็ญบารมีในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นก็จะต้องสามารถที่จะกําหนดทานบารมีเนี่ยสามารถที่ช่วยสัตว์ขนสัตว์และก็ลื้อสัตว์เนี่ยต้องสามารถทําให้สัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาลเนี่ยรักและก็เชื่อถือทีนี้การที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาลรักและเชื่อถือต้องบําเพ็ญอะไร ก็ต้องบำเพ็ญเลยวัตถุฐานที่มีทั้งหมดก็ต้องให้ทั้งหมดต้องสละทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็ดอมบำเพญ็ญศีลบารมีเป็นต้นเหล่านี้ด้วยในอัตภาพที่เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยสามารถปกครองเนี่ยโลกใบนี้ทั้งใบและอุตรลักกุรุทวีปอีกใบหนึ่งปุพพาวิเทหะทวีปอีกใบหนึ่งอัปปะละโคลยานะทวีปและทวีปน้อยอีกสองพันอีกเป็นบริวาร ได้บรรดาทวีปเหล่านั้นล้วนมีประชาศัตว์ทั้งนั้นแปลว่าอะไรสมบัติของท่านมีขนาดนั้นท่านจะต้องมีใจที่กล้าหารอาจหารในการที่จะกล้าสละสละวัตถุทานก็คือโลกนั้นทั้งใบและก็วัตถุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนั้นทั้งหมดเพื่อจะให้เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายและอาณาประชาล่าทั้งหลายที่อยู่ในปกครองของท่านท่านต้องทําอย่างเนี้ยแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าจนสัตว์เหล่านั้นมีใจยินดีในท่านผู้นี้ ว่าท่านวันนี้สละแล้วก็เกื้อกูลเราในทั้งด้านวัตถุทานทั้งหมดที่มีอยู่จริงๆและไม่ใช่แค่นั้นท่านต้องบำเพ็ญอภัยทานนะก็คือยังใจไม่ให้โกรธในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในสากลและจักรวาลถึงแม้ว่าจากให้เขาขนาดนั้นเขาเป็นคนที่รู้บุญคุณบ้างไม่รู้บุญคุณบ้างในขณะที่สัตว์เหล่านั้นมีอัคตันอยู่ในใจไม่เห็นคุณของพระโพธิสัตว์ ก็ปัททุสลายพระโพธิสัตว์เบียดเบียนพระโพธิสัตว์ท่านก็ต้องยั้งใจให้อาถานให้ล่าเลิงในการที่ให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่คิดปัททุสาราย่าว่าทําด้วยกายและวาจาหรือเป็นต้นให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของสัตว์ทั้งหลายปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายนั้นมีอยู่มีกิน ให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาของสัตว์ทั้งหลายปราตะไนส์สัตว์ทั้งหลายมีความล่มเย็นเป็นสุขในชีวิตครอบครัวเป็นต้นและมีคําสัตว์คําจริงบอกกล่าวเอื้อเกื้อหนุนบรรดาสัตว์เหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็ไม่ทํากระแสะชีวิตของตนเองให้เป็นที่หวาดระแวงของหมูสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายเห็นแล้วเกิดความชื่นชมและสมนะั้นนี่คือพยธาธิ์และไม่ใช่แค่นั้นแม้ทางด้านธรรมทานและข้อมูลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการจะดําเนินชีวิตทางโลกและทางธรรมในการที่จะดําเนินชีวิตไปสู่สุขติพบในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะทำประโยชน์ณปัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นท่านก็ต้องบอกแล้วบอกอีกในการที่จะชี้แจงหาอุบายวิธีในการที่ชี้แจงให้เหล่าสัตว์เหล่านั้นได้ดําเนินชีวิตให้ถูกต้องเป็นต้นจากพบแล้วพบเล่าอัตภาพแล้วอัตภาพเล่าท่านนับกันอย่างง่ายๆเลยเนี่ย คำว่าหนึ่งอสงไข่ขนะเขานับยังไงถ้าหนึ่งอสงไข่ขนะเขาเอาโลกใบเนี้ยโลกแต่ละใบเนี่ยอายุของโลกแต่ละใบที่มันก่อตัวขึ้นมากว่าจะตั้งอยู่บริบูรณ์ของโลกแล้วค่อยๆเสื่อมลงไปเนี่ยแตกดับครั้งหนึ่งเนี่ยเขานับเป็นโลกใบหนึ่งเขาเรียกกลับกว่าโลกใบหนึ่งจะเกิดขึ้นมาเนี่ยบริบูรณ์เสร็จแล้วก็ค่อยๆแตกดับลงไปเนี่ยจนแตกสลายไปเนี่ยเขาเรียกกลับหนึ่งทีนี้ในบรรดากลับหนึ่งเนี่ย โลกนี้ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวนั่นแหละก็เลขหนึ่งอสงไขยทนี้พระเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาเท่าไหร่ยี่สบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับก็คือโลกแตกดับอีกแสนครั้งนี่อันนี้คือปายนะเนี่เราก็จะได้เห็นว่าคนที่จะมีใจอาถรรพ์กล้าแข็งในการที่จะตั้งอัธยาศัยในการที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีขนาดเนี้ย ก็แปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากมีความเชื่อมั่นอย่างมากมีความ ก, ากล้าๆอาถรรพ์อย่างมากมายแล้วก็จะต้องมีสติในการกํากับอยู่กับตนเองอย่างมั่นคงมีความอดทนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาในการที่จะรู้และเข้าใจใช่ไหมในการที่จะบําเพ็ญบารมีเหล่านี้เป็นต้นถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยกุศลทั้งหลายที่เราได้มาในการยังอัตภาพให้เป็นไปในทุกวันเนี่ย นั่นเน่ยเป็นกุศลที่เราเคยผ่านพระพุทธเจ้าผ่านพระโพธิสัตว์ผ่านท่านผู้รู้ทั้งหลายในการบอกกล่าวมาเนี่ยอันนั้นเป็นบุญบรารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะที่เราได้อัตภาพอย่างนี้ได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้ได้ความเป็นอยู่อย่างนี้ได้สติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่เราได้มานั้นก็ได้มาจากพระบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงบําเพ็ญมาที่บอกเราแล้วบอกเราอีกนี่แหละ บางครั้งบอกวันนี้ข้อมูลเรารับได้นิดเดียวแล้วก็ไปเป็นมิจฉาทิฐิบ้างแล้วก็ย้อนกลับไปทําำ้ายพุทธเจ้าบ้างไปตัดเสศนพุทธลูกบ้างไปเบียดเบียนพระโพธิสัตว์บ้างไปจับท่านขังบ้างฆ่าท่านบ้างอะไรสารพัดหมดแต่ท่านก็ไม่ยั้งใจให้มันโกรธเกิดขึ้นในหมู่บรรดาศัตว์ทั้งหลายที่มีโมหะคือความมืดบอดเกิดขึ้นเลยที่ขนาดนี้เลยะยังไงนี่คือพระพุทธเจ้าว่าทําไมเราจึงต้องรักและเคารพพุทธเจ้าฉะนั้นการที่เรามี ศรัทธาเนี่ยที่บอกตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระเจ้าจะได้ปัญญาตรัสรู้อริยสัจถามว่ากว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพุิธญาณเขาเรียกว่าพรัสั พ, พันยุตยานนาวรณญาณอินเดียปรโรปริยติญาณมหากรุณาสัมมาปฏิญาณยมกกาปฏิหาริยญาณอาศยานุสญยาณยหรืออินเดียปรโรปริยัติญาณเนี่ยพญานที่สามารถรู้ความอ่อนความแก่ของอินทรีย์ของเราสัตว์ พยานที่สามารถไปแทงตลอดทะลุทะลวงแปลว่าอะไรรู้ไหยการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสามารถรู้บรรดากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดว่าจําแนกออกม า, าสัตว์เหล่านี้มีศรัทธามากศรัทธาน้อยมีความเพียรมากมีความเพียร น, น้อยมีสติมากสติน้อยมีสมาธิมากสมาธิน้อยมีปัญญามากมีปัญญาน้อยเป็นต้นสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประเภทไหน ประเภทที่ถ้าสามารถจะฟังทานในกุศลถึงจะสามารถเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการบรรลุได้ฟังศีลกุศลถึงจะบามารเป็นปัจจัยการบรรลุได้ฟังเนคขมมะฟังวิริยะขันติสัจจะธิ่ฐานะก็จะต้องสามารถไปแทงตลอดรู้วาลาจิตของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็จะต้องเอาคําสอนไปเกื้อกูลกษัตริย์เหล่านั้นให้รู้ให้เข้าใจขนาดนั้นหรือว่าสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ประเภทที่มีศรัทธาจริตหรือพุท ธ, ธิจริตหรือโมหจริตโทสะจริตทั้งหลายเลยเนี้ย การที่จะแทงตลอดสพยุตยานก็จะทําปัญญาเหล่านี้แหละให้เกิดขึ้นอันอย่าแปลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีปัญหาชีวิตต่างก็มุ่งหน้าไปหาพระเจ้าไม่มีใครเลยที่จะผิดหวังกลับมาทุกคนจะรับการแก้ไขสัตว์ที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกวิธีการในการที่จะออกจากกองทุกออกจากวัฏทัก์ดําเนินชีวิตเข้าไปสู่อนุปาทานบริณีพา น, นการดับกิเลสและกองทุกอย่างไง สัตว์ทุกประเภทไปเฝ้าพระเจ้ากลับมาเนี่ยไม่มีใครเลยที่ไม่สมหวังต่อให้สัตว์นั้นจะชั่วช้าเร็วซามขนาดไหนจะจิตใจหยาบกร้านขนาดไหนเพียงเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังอัตริยาใสาให้เลื่อมใสแค่นี้ก็ยังสามารถได้ดิบได้ดีแม้แต่สัตว์ดิบฉ า, านนะการนกฮูกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นพระบรมสารสดาเสดจิจไปบินนบาตพอมองพระเจ้าปุ๊บ ยังจิตให้เลื่อมใสให้ศรัทธาในพระรัศีของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็แย้มพระโอษฐ์ก็บอกนี่ขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านนี่นะยังศรัทธายามความเชื่อมั่นที้เกิดขึ้นในพระสัพพัญญุตญาณในพระฉับพันดลังศีของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวแค่นี้อีกแสนกับเนี่ยสัตว์ตัวนี้จะเกิดจะได้เป็นพระปัจเจพพุทธเจ้า มีนม้ำผสมมันนัดโดยเนี่ยขาดเป็นสเดชาณ น, นะยังยังใจให้เลื่อมใสเกิดขึ้นยังได้ยังได้ความเอิบอิ่มแล้วก็จะได้ความพ้นจากวัฏทุกขในอนาคตอันแม้แต่พระเทวทัตเป็นมิจฉาทิฐิใช่ทหมทำร้ า, ายพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแม้ครั้งสุดท้ายก็ยังสงให้แตกจากการเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ต้องการจะยิ่งใหญ่และที่สุดจริงๆในพระเทวทัตเนี่ย จะไปเฝ้าพระเจ้าหลังจากกลับใจได้แล้วไม่สามารถไปเฝ้าพระเจ้าได้แล้วก็ถูกแผ่นดินโูบลงไปในขณะที่แผ่นดินแยกออกแล้วก็ดึงร่างพระเทวทัตลงไปเนี่ยพระเทวทัตกลับใจได้ว่าเออเราเนี่ยชั่วเหลือเกินเนี่ยนะทำกรรมบาปหนาชั่วช้ามากในอัตภาพนี้ทั้งกิ่งก้อนหินปฐสลาพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าให้หอบพระโลหิตทั้งโย่ให้อาชาตสตัวไปทําปิาตุคาศ ทั้งยังสงให้แตกจากกันเป็นต้นใส่รายพุทธิย่ามามากมายโอ้โหเราเนี่ยชั่วมากเพราะกลับใจได้เพียงแค่เนี้ยยังศรัท้ายตั้งขึ้นมือข้าพเจ้ามีก็ไม่สามารถที่จะยกปนมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้อัตภาพข้าพเจ้าก็ไม่สามารถหมอบเอาศีรษะเนี่ยซบลงแผ่นดินกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เออเหลือเพียงคางเนี่ยมันจะจมลงไปแล้วเนี่ยขอกระ ถวายกระดูกคางถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถอดเพยียงตั้งอัธยาศัยไว้แค่นั้นน่ยอีกหลังจากหมดกรรมในอเวจีมานะล็อกพระเจ้าชาติพระเทวทัศ์จะได้เป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้ามีนามว่าอัตถิสาระอองคิดดูดูสิเนี่ยนี่ขนาดชั่วขนาดนี้นะยยังยังศรัทธายังความเชื่อมั่นยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าแล้วยังมี พานิพานด้วยการดับกิเลสเป็นไปในเบื้องหน้าแล้วพวกเราถ้ามามองอย่างเงี้นะหรืออีกคนหนึ่งยังอาชาติสโตเนี่ยทําปีาตุคาตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนขอขมาพระพุทธเจ้าที่จริงที่แรกเนี่ยตนเองทุกข์มากเพราะพระเทวทัตโดนเป็นดินสูบแล้วตนเองก็นอนไม่ได้ตอนนั้นเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วไม่เคยนอนได้เลยเพราะความกลัวนี่แหละ กลัวบาปรกรรมที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันเผาร้นจิตใจตลอดนอนทําท่าจะหลับก็สะดุง้งสะดุง้งไหนจะกลัวการปฏิวัติรัฐประหารไม่กลัวได้ยังไงเพราะว่าประชาชนที่ตัวเองปกครองอยู่ก็รักเคารพพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาทั้งหมดเลยแม้อมาราชบริพารทั้งหลายทหารทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นลูกน้องของพ่อเก่ามาทั้งนั้นถามว่าอยู่เป็นสุขไหมไม่สุขเลย กวนกวายดิ้นลนกระเสือกระสนตลอดเวลาเนี่จนในวันหนึ่งเป็นวันเพนขึ้นสิบห้าค่ําดีและก็ประชุมอมัดบอกว่าเนี่ยพระจันทร์วันเพนลอยเด่นบนท้องฟ้าใครๆเขก็มีความสุขเวลามองดวงจันทร์บนท้องฟ้านี่แต่ทําไมหนอใจของเราเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินมันเครียดเหลือเกินมันกลุ่มเหลือเกินไม่เคยมีความสุขเกิดขึ้นในใจเลยบอกว่าใครสามารถที่จะดับความทุกข์เราได้ ก็ประกาศไปหาให้อมาร์ว่าใครเลยกลุ่มอมาร์ที่นับถือปุรณะกัสปะก็บอกให้ไปหาปุรณะกัสปะอมาร์ที่นับถือมคคารีโคสาลาชิตาเกยกรมพลปกุทธากจัยนะนี่ครนหน้าแต่บุตสัญชัยเวรัพุทธที่เป็นครูทั้งหกในยุคนั้นต่างก็เสนอว่าเนี่ยครูงตนเองเป็นผู้ตัดสินุถ้าไปหาครูงตนเองแล้วจะสามารถที่จะดับความทุกข์ได้เป็นต้นเหล่านี้พระเจ้าชาติโต้ก็บอกว่าเราไปมาหมดแล้ว ถามเรื่องหนึง่งไปตอบอีกเรื่องหนึง่งความทุกข์ในใจนอกจากมันไม่ไม่ลดลงแล้วมันเพิ่มขึ้นโดยซ้ําไปมันเครียดขึ้นมาเลยเนี่ยว่า ง, งั้นแต่ก็เลยมองไปที่หมอชีวกโกมาราพัฒน์บอกชีวกเธอแนะนําอะไรเราหน่อยได้ไหมหมอชีวกโกมาราพัฒก็บอกว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ทั้พระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วิชา 8. ปจร์นัสิบห้าเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงวัธรรมรัตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกปัจจุบันนี้กําลังประทับอยู่ที่สวนชีวากาพวันเนี่ยสวนข้าพเจ้าถวายเป็นวัดเรียบร้อยเลย ขอให้พระองคไปเฝ้าเธอเมื่อศาตว์ทั้งหลายมีทุกข์นี่มีความกัดกรุ่มใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกข์ในใจจะต้องคลายทุกคนเลยนี่รับประกันอย่างนั้นโอ้แต่นี้พระเจ้าชาตตูดีใจไหมดีใจบอกว่าตอนเนี้ยภิกษุสงฆ์หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปพร้อมด้วยภาษาวกอพร้อมด้วยพุทธเจ้าประ ท, ทับที่นี่ก็พายกกองกําลังไปสมัยโบราณี่เวลายกกองกําลังไปแต่พระเจ้าชาตตูใช้ทหารหญิงเนี่ยห้าร้อย ช้างห้าร้อยเชือกเป็นต้นสเสด็จไปในช่วงกลางคืนพอไปถึงก็ยกก่องกำลังไว้ข้างนอกแล้วก็ถอดเครื่องทรงกษัตริย์ออกถอดรองเท้าเวลาไปเฝ้าพรุทธเจ้าต้องขนาดนั้นนเดินด้วยพระบาทเปล่าไปอย่างสามัญชนงั้นใครที่มียศมีตำแหน่งทั้งหลายเอาไว้นอกวัดพวกเราเอาไว้นอกนี่ยัง เอาไว้นอกแล้วก็เสด็จทีนี้ในระหว่างที่เดินไปเดินไปเดินไปเสด็จดําเนินไปนี่เงียบในชีวกามภวันเงียบมากอยู่ใกล้เขากิ ช, ชกูดเนี่เงียบมากนั้นเวลา ด, ดําเนิน ด, ดําเนินดําเนินไปนะเนี่เงียบกลิบก็เอใจได้ความหวาดระแวงของความเป็นกษัตริย์เนี่ยนึกในใจว่าตนเองคงจะถูกลวงมาฆ่าเนี่ยละเมิง ใช่ไหมเด็กเห็นไหมความหวาดระแวงของคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีความสุขอะไรเลยเนะี่ยความสุขในใจไม่ได้มีเลยในชีวิตทางโลกเนะี่ยพวกเราเป็นอย่างนั้นไ้มล่ะหวาดระแวงไหมเดือนนี้ข้า่น้ํามาข้าไฟมาในหนี้สินธนาคารนั้นเรืทวงหวาดระแวงไหม <c oughs> มันขนาดนั้นในะชีวิตขนาดนี้เลยนะั่นถูกเบียดเบียนทุกข์ขนาดถูกเบียดเบียนขนาดเนี้ยยังยังบอกว่าสบายดีเลยใช่ไหมล่ะ นขนาดนั้ น, นแต่ว่าพบไปได้สักพักก็หมดแรงกลัวก็เข้ามาซุดแล้วก็เกาะหมอชีวกก็ถามว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ได้ลวงเราเนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบอกว่ามีพระอยู่กันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปแต่ทำไมเงียบเอจใจไหมล่ะเพราะปกติคนอยู่กันเป็นเรือนพันก็ต้องเสียงจอกแจ๊กจอแจอันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ย อันนี้เรามองถึงบรรยากาศของคนที่เขามีศีลมีธรรมเขาอยู่กันเนี่ยนะแต่ไม่ใช่หลับนะถ้าอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วเงียบนี่แปลว่าอะไรแปลว่าหลับใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เราดูบรรยากาศว่าเขาอยู่กันอย่างอะไรหนึ่งเขาฝึกคนฝึกจิตเนี่ยเขาเขาคนที่ทั้ง ศีลสมาธิและปัญญาที่เขาฝึกครบวงจรแล้วบาปอากุศสลกรรมมันชั่วร้ายในใจเขาไม่มีเลยจิตเขาสงบมากจิตเขามีทั้งปราโมดปีติปสัสสิสุขและสมาธิปัญญาก็โรดแล่นฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลใดๆที่ยังกายทุจริตวิจีทุจริตให้เป็นไป เ, เขาก็อยู่ด้วยอาการที่สงบแล้วก็น่าเลื่อมใสแล้วหมอชีวกก็บอกว่าปกติส ม, มณะเขาอยู่กันอย่างนี้ นี่ปกตินะถ้าปกติไม่ใช่สมณะเขาก็อยู่กันอีกอย่างพกพ่านไปทั่วเลยเดินกันพกพ่านพูดกันพกผ่านใช่ไหมคุยกันจอกแจกจอแจทั้งหลายเนี่ยถ้าให้พวกเราเงียบกันหรืออยู่กันนิ่งๆเนี่ยแป๊บเดียวแค่นี้เราอยู่กันไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวแล้วโอ้โหใจจะขาดแต่เราก็เลยมาสอนกันเนี่ยเราก็นึกว่าพระเขาอยู่กันอย่างสงบในทีน่นี้ไม่ใช่ไม่พูด คำว่าสงบในที่นั้นแปลว่าเขาสงบบาปแต่เรามามาใช้วิธีการปฏิบัติว่าปิดวาจ า, ท, า, ท, าทั้งๆที่กิเลสในใจมันพกพาตลอดมอยากจะพูดตลอดแต่เราก็ใช้วิธีการนี้ปิดวาจาซะเลยไปแก้ที่วาจาแท้จริงการประพุติปฏิบัติเม็นแก้ที่ไหนแก้ที่จิตใช่ไหมเขาฝึกจิตเขาทำจิต ทำจิตของตนเองให้เข้าถึงศรัทธาให้เท่าถึงความ ก, ากล้าหาให้เข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิเข้าถึงความตั้งมั่นแห่งจิตนี่ก็เรื่องเนี่ยทําจิตเมื่อทําจิตได้อย่างนี้แล้วเขาก็ไปทํากิตโอ๊กิจการงานทั้งหลายมันเลยเลยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยไปสอนหนังสือไม่ต้องอ้วกไม่ต้องอ้วกบางคนโอ้โหคิดถึงหน้านักเรียนอ้วกเลยเพราะอะไ ร, รไเพราะอะไรรึเปล่าเพราะว่าไม่ได้ทําจิตใช่ไหมไปมุ่งแต่เรื่องการทํากิต มันก็เลยเครียดเลยทีนี้เฮ้ทีนี้ก็บอกว่าตามปกติสัมมนาเขาอยู่กันอย่างนี้พระเจ้าชาติศัตูก็เข้าใจก็หายอาการสะดุ้งกลัวแล้วก็หมอชีวก็ชี้ไปว่าเห็นไหมผู้คลที่นั่งอยู่ท่ามกลางที่ภิกษุแวดล้อมอยู่แล้วก็นั่งด้วยการสงบนิ่งนั่นแหละมีฌาพนันลงังสีฉายออกมาหนึ่งวานั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุหนึ่พันรห้าสิบลูกก็มองไปที่พระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินกรรมฐานกันบางองค์ก็เดินพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติเดินพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณเป็นต้นนี้บางองค์ก็หลับตาเดินกรรมฐานบางองค์ก็ดืมตามองพระรูปพระพุทธเจ้าก็เอามาเป็นอารมณ์ในการยังจิตใจให้เกิดความปราโมดปีติปสัสสติแล้วก็สมาธิตั้งมันเดินปัญญา <stop? S 1> เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ เป็นนั่งเพื่อให้พระเหล่านั้นได้เห็นแล้วก็ได้เกิดพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเปต้พระเจ้าชาโูพร้อมในบริวารก็เข้าไปขอโอกาสแล้วเข้าไปกราบพระบาทขอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไปกราบพระบาทเขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกความในใจของพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เนี่ยเป็น เป็นผู้ได้กระทํากรรมอันชั่วชา้าได้ทําปิตุคาตต่อพระบิดาว่าไงเถ้อได้ทํากรรมหนักแล้วซึ่งพระบิดาก็คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นสาวกของพุทธเจ้าด้วยชื่อว่าได้เบียดเบียนพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการปฏิทุสลายพระพุทธเจ้าด้วยปฏิทุสลายพระธรรด้วยปฏิทุสลายพระสงค์ด้วย บาปรกรรมที่ข้าพระ อ, องค์ทำเนี่ยมันกินใจข้าพระ อ, องค์ไม่สามารถจะนอนได้เลยขอให้พระพุทธเจ้าทรงเปื้องบาปของข้าพเจ้าออกจากกระแสะชีวิตข้าพเจ้าโดยเถิดพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหาบอพิษเมื่อมหาบอพิษเห็นโทษโดยความเป็นโทษแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ปรับพฤติกรรมใหม่เหมือนพวกเราไปเลย กายเยนวาจาวาเจเยสาวาพุเทกุกามังปะกตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตัวอจิยันตังกาลันเตเรสังวะริตุงว่พุทเถี่ยเงี้ยด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปอดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพุทธเจ้าในการต่อไปนั่นแหละเนี่ยพระเจ้าชาติโตก็ไปขออดโทษจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเมื่อเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ รู้แล้ววันนี้เป็นโทษรู้แล้วมันเป็นความผิดรู้แล้วเป็นความชั่วร้ายเธอตั้งเจตจํานงจงใจตั้งใจว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่ปฏิกรรมตัวเองใหม่การกระทําในลักษณะอย่างนี้เป็นความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระธถามโคจันทร์อันเนี้เป็นการทําตามแบบอย่างของอริยชนเนี่ยเนี่ยและการกระทําในลักษณะนี้จะเข้าถึงความเจริญต่อไปตถาคตอดโทษให้ โอ้โหชื่นใจไหมพอพระเจ้าบอกอดโทษให้แล้วโอ้โหอย่างยกก้อนภูเขาออกจากอกกราบแล้วก็ร้องไห้รักในพระเจ้ามากกราบพระเจ้าอดโทษให้เราแล้วพระเจ้าอดโทษให้เราแล้วบาประกรรมที่ทํามาทั้งหลายไม่เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกแล้วและข้าพเจ้าตั้งมั่นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจกไม่ทํากรรมอันลามกในการเบียดเบียนพระราตนตรัยอีกแล้วปฏิญญาณต่อหน้าพระเจ้านี่เป็นต้นฉะนั้น คนในบรรดาปุถุชนทั้งหลายปุถุชนที่รักพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยไม่มีใครเกินพระเจ้าชาติตูพระเจ้าชาติตูเนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากเหตุที่รักในพระพุทธเจ้ามากก็เพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ถอนลิ่มถอนลูกศร อ, ออกจากใจของท่านที่มันทิ่มแทงใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไปหาใครก็ไม่มีใครถอดลูกศรคือไอ้ลิ่มดี๋นี้ ไอหอกที่ปักใจอยู่เนี่ยปักกระแสความคิดอยู่เนี่ยแต่ไปฝ้างพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าถอนถอนให้ชื่นใจไปแล้วนี่แหละว่าทําไมพระเจ้าชาติโตจึงรักพรุทธเจ้าทีนี้พวกเราแหละเรามานึกถึงพวกเราดีทีเนี้ยเรารักพระพุทธเจ้าไหมทําไมเราต้องรักพระพุทธเจ้าด้วยใช่หมหนึ่งเราเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นปัญญาปัญญาตรัสรู้อริยสัจสี่ใช่ไหม ถามว่าปัญญาตรงนี้ที่เราเชื่อมั่นเพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าพัฒนาปัญญาคือสัพพยุตยานและสัพพยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาให้สัตว์โลกมาหาประมาณมิได้ลองดูสิว่านับเป็นจํานวนเรานับไม่ได้ครั้งแรกที่พระเจ้าหมุนกงล้อหิรัธรรมจักรที่ป่ายสิ ป, ปัตนามฤรกระายวันให้เป็นไปเนี่ยถอดลูกศรคือความทุกข์ใจให้กับอัญญากรทัญญะได้เป็นทันแรกนี่คือมนุษนย์นะ และของพรมอีก18โกดเทวดาไม่นับนี่ยังไงลูกศรคือราคะโทสะโมหะที่ปักแน่นอยู่ในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแสดงพระธรรมจักรกับปวัฒนสูตรก็ถอดลูกศรคือความโรคความโกรธความหลงเนี่ยความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจไม่ชาติทิฐุขชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกขความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเนี่ยถูกถอดออก ถูกถอดออกเลยเนี่ยงั้นคนที่กิเลสออกจากหมดหมดจากจิตใจแล้วก็แปลวคนไม่มีทุกข์ใจแล้วไม่มีความเครียดไม่มีความกัดกลุ่มแล้วลองสบายไ้มล่ะถ้าคนถูกถอดตัว น, นี้ออกได้พุทธเจ้าเป็นผู้ถอดแล้วต่อมาพุทธเจ้าก็แสดงปักกิญญาเทศนาก็ถอดลูกศร อ, ออกจากวัฏป่าพัทธยามหานามาอัจฉิแล้วต่อมาก็แสดงอนัตตารักนัสูตรในวันแรมห้าค่าเดือนแปด พอแสดงจบปุ๊บเนี่ยหมดเลยลูกศรทุกดอกที่ปักแน่นในกระแสชีวิตของปัญญวัคีทั้งนถูกถอดออกเกลี้ยงเลยนี่เห็นไหมท่านก็ปฏิ ญ, ญาณตนเองว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชเนี่ยแล้วก็เลยมีพระ อ, อราหันต์อุบัติเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็มียัสสากุระบุตรสุภาหะหูปุณณชีขวัมปติและเพื่อนสหายอีกห้าสิบสี่คนถูกถอดลูกศร อ, ออกหมดเลยนี้ในพันษานั้นน่ยสัตว์โลกที่ถูกถกอดลูกศร อ, ออกนี่เป็นมนุษย์นะป้าเข้าไปเท่าไหร่หกสิบรูก หกสิบรูปเนี่ยไม่รวมนาระกะนะท่านนาระกะเนี่ยเป็นหลานของอสิตาดาบทเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าจะเข้าไปอุทิศตนเองแล้วเขาบอฝ้าพระเจ้าในวันที่หกวันที่เจ็ดนี่แหละหลังจากที่แสดงธรรมจักเนี่ยพอมาฟังพระเจ้าปุ๊บฟังครั้งเดียวแค่เนี้แล้วก็บอกกับพระเจ้าเลยว่าจะเอาข้อมูลที่พระเจ้าบอกเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าแล้วจะไปปฏิบัติ นั้นจะไม่มาฟังพระเจ้าอีกจะไม่มาดูพระเจ้าอีกจะไม่มาพบพระเจ้าอีกเพราะพระเจ้ามีภารกิจมากในการที่จะไปขนสัตว์หรือสัตว์นั้นตนเองจะไม่ทําให้พระเจ้าต้องลําบากเด็ดขาดฟังแค่เนี้ยจะเอาไปจําได้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วจะไปขนขวายทําตนเองให้พ้นทุกข์ให้ได้เพราะไม่อยากรบกวนเวลาพระเจ้าเพราะพทะเจ้ามีเวลาเนี่ย<ม>ทุกวินาทีมีค่าในการจะขนสัตว์หรือสัตว์ท่านนารากาบอกว่าข้าพเจ้าขอฟังเพียงครั้งเดียวแค่นี้แหละมอ่อมเพนบารมีมาเท่าไหร่แสนกับ ฟังเสร็จปุ๊บกลับไปไปประพฤติอย่างอุกฤษอยู่ต้นไม้จะไม่คืนนี้อยู่ต้นนี้คืนนี้อยู่ต้นนี้เวลาไปบินธบาตวันนี้ไปบินบ้านนี้อีกวันหนึ่งจะไปบินอีกบ้านทําอยู่อย่างนี้แป๊บเดียวแล้วก็ไข้ครวนประพฤติธปฏิบัติแล้วได้บรรลุพอบรรลุเบสเสร็จก็ประพฤติแบบอุกฤษที่แะถือการไม่นอนนี่แหละอายุอยู่ได้เท่าไหร่ถ้าประพฤติแบบโมเนยะปฏิบัติแบบแบบล้มหลวงนี่นะแบบหย่อนหยอนเนี่ยจะอยู่ได้เจ็ดปีจะได้ประมาณเจ็ดปีถ้ายัง ยังยังกลางๆ ก, ก็จะลดลงมาหน่อยแต่ถ้าอย่างอุกฤษก็อยู่ได้เจ็ดเดือนท่านอยู่ได้เจ็ดเดือนท่านหมดกิเลสแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ไปยืนพิงหน้าผาหันหน้าไปทางพระพักที่พระพุทธเจ้าประทับแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละ ว, ว่าข้าพเจ้าทํากิจในการละ ก, กิเลสหมดแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีบรปปรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระกีนาศพท่านก็ลาพระพุทธเจ้าตอนนั้นน่ะตอนยืนพนิง พิงข้างป่าไอ้พิงผนังหน้าผาแล้วก็ปรินิพานพระเจ้าต้องเหาะมาพร้อมด้วยพิกเสือสงเพื่อมาทําชาวบรณกิจบนีบ่โหนี่สุดยอดัไปละเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหมนี่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องการรบ ก, กวนพระเจ้ามากหรือเราจะตามพระเจ้าไปทุกอัตภาพดูที่ไหนพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งสองพันกว่าปียังยังไม่ยอมไปรู้กันดีทนจริงๆพวกเราเนี่ย <laughs> เป็นพันนมามตะจริง นีพ่พระเจ้าจะลำบากเยอะไหมอดี๋ยวว่าเดี๋ยวพระเจ้าเลยสาวกพระเจ้าก็พลอยลำบากพวก <c oughs> พวกเราเนี่ยใช่ไมพูดน่าชื่นใจไหมพวกเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนทนจริงๆในการอยู่ในวัฏฏะอย่างเง้ใครบรรลก็บรูลไปฉันจะอยู่เป็นสัตว์เฝ้าแผ่นดินอธิษฐานไว้ไหมอยากเป็นตอวัฏฏะไหมอยากไหมไม่อยากเป็นเขาเรียกวัฏขานู้ เขาพากันบรรลุฉันก็จะเฝ้าเห็นดินอยู่นี่เลยอยู่มันงปะสนุกไหมสนุกไหมชาติทุกชรลาทุกพญาทุกมรณะทุกสนุกไหมโสกปรีเทวทุกขโทมนาสาวุปายาตเนี่ยทุกในการแสวงหาอาหารทุกในการเป็นหนี้เป็นสินทุกจะต้องมีลูกทุกจะต้องสอนหนังสือทุกจะต้องดูแลคนป่วยทุกจะต้องให้หมอมาดูแลเราโอ้โหสารพัดเนี่ยทุกในการยืนเดินนั่งนอนพอหรือยังเบื่อหรือยัง หรื อ, อยังไม่เบื่อเบื่อแบบโทสะหรือเบื่อแบบปัญญาถ้าเบื่อแบบโทสะก็เป็นศาสเฝ้าแผ่นดินถ้าเบื่อแบบปัญญาจะออกจากแผ่นดินนี้ได้ใช่ไหมล่ะนั้นเบื่อแบบปัญญาก็เบื่อแบบโทสะคนละอย่างกันนะเหมือนเราเบื่อหน้านักเรียนแล้วอ้วกเนีย่ยอันนี้โทสากินเครียดหรือเบื่องานเนี่ยอนนี้ต้องระวังกันที่ถ้าเบื่อได้ปัญญามันจะชื่นใจชื่นใจตรงที่มันเห็นความจริงกัดกับเบื่อได้ปัญญามันเบื่อยังไงยกตัวอย่างเช่นเอ่อ เราสตูล้อมเราอยู่ใช่ไหมเราอยู่ในบ้านมีสตูล้อมเราอยู่เขาจะมาฆ่าเราแต่เราเห็นทางรอดทางหนีเราพิจารณาโดยแล้วเ ร, เรามีทางหนีรอดได้เขาเบื่อสตรูไหมเบื่อและเห็นทางรอดไหมเห็นเหมือนกันไฟเนี่ยเวลาไฟมันล้อมมานี่เราเห็นทางออกว่าเราจะเดินออกจากวงล้อมของไฟได้อย่างไร ฉะน้นเราเบื่อนะไฟที่มันล้อมเข้ามาเนี่ยไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความเจ็บไฟคือความตายไฟคือความโศกความร่าไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจไอ้อไฟเหล่านี้ที่มันล้อมหน้าล้อมหลังแต่มันเห็นเห็นทางหนีคือมัชิมาปฏิปทานการดําเนินกระแสชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญาไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฉันเห็นตรงนี้ไงเห็นทางหนีเห็นทางรอดถ้าเห็นตรงนี้แล้วปัญญาเห็นพอเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไง ชื่นใจไหมันชื่นใจว่าเราจะต้องหนีออกจากไฟคือวงล้อมคือความเกิดเป็นต้นได้อย่างแน่นอนมั่นใจอย่างเนี้ยพราะเห็นมชิมาปฏิวัฒนเห็นทางดําเนินเห็นข้อปฏิบัติเห็นวิธีการแต่บางคนมันไม่เห็นเนึ่ยนะเพราะมันไม่เห็นมันเครียดดิ <c oughs> ถ้าเครียกขึ้นมาเป็นโทสะเลยอย่เนี้ยเริ่มเข้าใจยังเบื่อแบบโทสะ <c oughs> กับเบื่อด้วยปัญญาก็อะไรอย่างกันเนะี่ย ตรงนี้แหละที่ว่าพระพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญบารมีเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นสุเมธาดาบทเนี่ยท่านบอกว่าการกระทําท่านบอกว่าเราจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหลังจากที่ท่านรับพยากรณ์เนี่ยนะทีนี้ท่านก็มาเลือกเฟ้นธรรมะว่าพุทธกา ร, กระกรรมเนี่ยมีอยู่หน้าที่ไหน มาเลือกเฟ้น <c oughs> ท่านใช้อะไรเลือกเฟ้นใช้ปัญญาปัญญาไปเฟ้นดูว่า <c oughs> พุทธการะธรรมธรรมที่จะให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนหรือเบื้องสูบเบื้องต่ํา <c oughs> มองดูที่ไหน <c oughs> เหมือนพวกเรามองไงแหละเราเคยสังเกตไหมเรามองไหมว่า เออเราจะไปปฏิบัติที่ไหนที่จะทําให้กิเลสมันหลุดได้เคคิดไห <c oughs> คิดด้วยคิดใชนไหมเดอนเราก็ดูว่าเออมันอยู่ทิศไหนเนี่ยพุทธการและกฐธรรมตอนนั้นเหมือนกันตอนที่ท่านเป็นปรพระโพธิสัตว์อยู่เป็นสุเมธาดาบทท่านก็พิจารณาหลังจากได้รับพุทธภรรยากรว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมท่านก็พิจารณาว่าพุทธการและกฐธรรมมีอะไรบ้าง ทานบารมีศีลบารมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสจัติฐานเมตตาเบิกขาบารมีแล้วบารมีเหล่าเนี้มันอยู่ทิศไหนมันอยู่ที่ไหนถ้าก็ไล่ตั้งแต่ว่าทานบารมีอยู่ตรงไหนเนี่ยทานบารมีอยู่ทิศเหนือไหมอยู่ทิศใต้ไ่มตะวันออกตะวันตกไหมทิศเบื้องบนหรือเบื้องต่าหรืออยู่ที่ไหนกันแน่อยู่กับใครอยู่ที่ไหนพิจารณาไปพิจารณามาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กระแสเนี่ยอยู่ในกระแสความคิดของเรานี่แหละทานบารมีอยู่ตรงนี้ ทีนี้วิาจารณาว่าฐานบารมีอยู่ตรงนี้กองทัพของทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมาธบารมีอยู่ในนี้แหละเราจะขับเน้นออกมาได้ยังไงให้เป็นทานบารมีเออทํำยังไงถึงจะเป็นทํำยังไงจะไม่เป็นโอ้พิจารณารอบครอบเลยทีนี้ใข้ครวนเลยทีนี้ใข้ครวนเห็นนี่ยังเห็นทานบารมีในตอนนี้ยังเห็นไม่เห็นหน้าตาเป็นยังไงเป็นยังไง ทานบารมีหน้าตาเป็นยังไงทานบารมีเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอ้าวเป็นกุศลเป็นนามเลยเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่าจริงๆเป็นนามธรรมไอ้ตัวทานบารมีจริงๆเป็นนามธรรมนะใช่ไหมเจตนาทานกับวัตถุทาน ตัวไหนเป็นบารมีที่แท้จริงเจตนาทานเป็นนามธรรมไหมคือจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละจิตที่คิดจะแบ่งปันใช่มหมเออทีนี้พอมีเจตนา่าจิตที่คิดจะให้ขึ้นมาโอ้เนี่ยทานบารมีมันอยู่ในตนนี้แล้วไม่อยู่นอกตนหรอกเอาไปฝากคนอื่นได้ไมมันอยู่ในตนนี้แหละทีนี้ตัวของทัของทานบารมีเนี่ย มีเยอะนะใช่ไหมล่ะไม่ใช่มีเจตนาตัวเดียวนะต้องมีศรัทธาด้วยไหมความเชื่อมั่นต้องมีด้วยต้องมีความเพียรความเกล้ากล้าไหมต้องมีสติไหมต้องมีสมาธิไหมต้องมีปัญญาเป็นต้นต้องมีกลุ่มกุศลธรรมเยอะเลยทั้งอะไรศรัทธาสติหิริโอตปาอะโรพะโทศาสตตะรมัชตาตาไลไปเลยเลยเยอะหมดเลยใช่ไหมลืมแล้วเนี่ยลืมอะไรลืมบารมีเหล่านี้แล้วสรุปแล้วก็นี่ไง กุมกุศลธรรมทั้งหลายที่อยู่ในใจมีเจตานาเป็นตัวกระตุ้นเตือนนี่แหละกลุมกุศลธรรมเหล่าเนี้ยที่กล้าสละัะถ้ามีวัตถุชิ้นเนี้หนึ่งชิ้นที่เป็นยาเนี่ยนะอันนี้เป็นวัตถุทานนะเหมือนเราถวายอาหารอาหารเป็นวัตถุทานใช่ไหมอาหารเป็นทานบา ร, รมีสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าไม่มีเจตานาทานกับจิตที่คิดจะให้เพราะพูดเจตานาตัวเดียวเนี่ยจริงๆมีแค่เจตานาตัวเดียวอ่ะ ไม่ใช่ต้องมีกลุ่มนามมาทาอื่นๆอีกเยอะมากอาก่าวเจตนาเป็นหัวหน้าเท่านั้นเองเข้าใจอย่างก่าวเจดจํานงความจงใจความตั้งใจคือจิต ท, ที่คิดจะให้เนี่ยเป็นหัวหน้าเท่านั้นเองสาบนี้เขาเรียกราชาอาคาโตเหมือนพระราชาสเสด็จเนี่ยมาองค์เดียวหมทั้ง่มดมีจิตที่คิดจะให้ไม่ใช่มีแค่เจตนาอย่างเดียวโอ้โหมีกลุ่มนามมาทาอื่นๆเยอะมาก อีกเยอะมากที่มาคอยผักดันเกิดร่วมกับกุศ ล, ลเจตนาเหล่านั้นเพื่อให้เป็นกองทัพเป็นกองทัพของฐานบารมีที่จะบทขยี้ความโลภความโกรธความหลงบทขยี้มัจฉริยะคือความตนีเนี่ยถ้าไม่พลังกองทัพผักดันออกมาจริงๆมันเป็นบารมีได้ไหมไม่ได้มีการให้แบบมีเงื่อนไขก็ได้นะ่นเนี่ยเนี่ยสิบบาทนเนี่ยมันเป็นบารมีได้ไหมถ้าอย่างนี้เป็นได้ไหม มันมีเงื่อนไขขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมล่ะเออเนี่ยก <c oughs> ็จะสร้างหอละครั้งถ้าใครบริจา 5, 000, คห้าพันก็จะมีเหรียญให้เวีย <c oughs> นทานบา ร, รมีไหมเห็นไหมมันมีเงื่อนไขเนี่ยมันไม่สามารถกำจัดอะไรเลยมัชชริยะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่สามารถทำลายกิเลสในใจได้ถ้าเราทำลายได้ก็สุดยอดใช่ไหมนี่ตะวัตถุทานบางทีวัตถุแค่ชิ้นนี้หวงไหมในแค่นี้ โอ้โหหวงมากมันไปนวดมือเม่ยพวกมาขอซะนี่โอ้โหรู้สึกทําลายจิตใจเยอะเหลือเกินใช่ไหมมันให้แบบมีเงื่อนไขไหมอย่างนี้เป็นบารมีไหมไม่ได้เป็นเลยเพราะมันไม่ถูกกระชากไม่บดบี้กิเลสเนี่ยทำลายกิเลสในใจอ่ะให้มันหลุดหมดออกไปได้แทนนั้นเรามองไปที่ไหนมันจะไปเห็นวัตถุไปหมดเลยเนียมองมาที่อาคารหลังนี้อาคารนี้เป็นวัตถุทานได้ไหมถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมา เอาขวานท่มต e. ูมก็ไปพังเลยเป็นยังไงเรามีความสึกเชื่อใจไหมหลึกไปทำมันทำไมใช่ไหมเชื่อใจตรงไหนเออจะได้ทำใหม่เอาช่วยกันลุกขึ้นทำสิบอกว่าอย่าทำใหม่บ <'re> ่อยเลยเห็นไหมว่าเนี่ยบารมีเนี่ยมันต้องคิดเป็นนะถ้าคิดไม่เป็นไม่เป็น เห็นไหมว่าบางครั้งคนที่มองเป็นหรือฉลาดในการบําเพ็ญบา ร, รมีผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในกระแสชีวิตของเราเนี่ยเป็นทานบา ร, ร ม, มีได้ไหมได้ไม่ได้เราได้คิดสละกันนี้ยังโอ้โหปล่อยมาจนขนาดนี้แล้วไม่มีใครอยากได้แล้วนี่ <c oughs> เขาให้ตอนไหน ตอนที่บอลิบูลใช่ไหมเออเวลาเขาจะให้เนะี่ยเขาให้ตอนที่มันดีใช่ไหมล่ะเขาไม่ให้ตอนที่มันเช่นน้นเลือดที่จะไปให้เลือดนะเนียขาให้ตอนเลือดมันเสียหรือเลือดมันดีดเลือดที่ดีแล้วก็ถึงให้เราเราเคยไหมว่าโอ้ชั้นจะทําร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารให้ดีดูแลร่างกายให้ดีอวัยวะคือตาก็ดีตับก็ดีไตก็ดีปอดก็ดีหัวใจก็ดีเนี่ยนะ เอาไว้ว่าส่วนไหนไม่ว่าเป็นเส้นเอ็นส่วนไหนถ้ามีใครมาขอเราจะให้เราจะสลา <c oughs> โอ้ย่างเงใครคิดอย่างนี้ไหมไม่มีแล้วโเค <c oughs> เห็นไหมบรารมีมันมันเป็นทานบรารมีได้หมดจริงๆใช่ไหมเนี่ยพวกโพธิษัท์ต้องคิดได้ขนาดนั้นแล้วมากกว่านี้ด้วยเอามาคิดได้นิดเดียวอย่าต้องคิดได้ขนาดนั้นมันถึงจะเป็นบรารมีได้จริงๆเออถามว่าแล้วพวกเราเคยใช้อัตภาพบําเพ็ญบารมีบ้างไหม อายกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นเช่นยอมนั่งเก้าอี้อยู่มีคนคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาซีรู้สึกเขาแย่กว่าเราก้าไหมสละด้วยความเต็มใจเลยท่านนั่งเถอะไม่เป็นไรฉันนั่งพื้นฟังธรรมะได้ <c oughs> นี่เป็นบารมีไหมเนี่ย เป็นใช่ไหมไม่เสียดายชีวิตเลยกล้าสละชีวิตเลยจะนั่งจนเท้ามันจะขาดออกจากกันฉันก็จะไม่อยู่เพราะธรรมะสูงสุดโอ้โหเป็นทานะอุปบา ร, รมีได้ไหมสละอวัยวะตายฉันก็จะไม่ลกเป็นทานนะประมัตถบารมีได้ไหมทํากันหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันทําได้ไหมถ้าเข้าใจเนี่ยฉันจะนั่งหลับมันอยู่ตรงนี้แหละคิดอย่างนี้เป็นบารมีไหมเป็นไม่เป็น บารมีไม่มีทีน้มิถาเป็นบารมีไหมไม่เป็นนะความหัวถูท้อถอยไม่เป็นบารมี <laughs> เออบารมีเป็นแบบนี้นะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอะถ้าฉลาดเนะี่ยมันทำเป็นบารมีได้จริงๆเลยนะใช่ไหมเราสามารถที่จะสละอะไรได้เยอะมากเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยคนที่มีลูกเนี่ย ดึกๆดืนๆลูกร้องห้อยากลุกไหมไม่อยากจะลุกมาให้นมไม่อยากจะลุกมาเช็ดอุจจาระปัสสาวะก็หรอกแต่ทำไมทั้งลุกอะ่ะลุกแบบไหนเป็นบา ร, รมีลุกแบบไหนไม่เป็นบา ร, รมีอลุกแบบไหนตื่นไม่เป็นเวื่อเวลาอขาก็มาพูดแบบนี้เป็นบา ร, รมีไมไม่เป็นเลยใช่ไหยรู้สึก ชื่นใจเหลือเกินที่เราจะสละความสุขของตนเองใช่ไหมที่เราติดอยู่ตรงนี้เพื่อจะบำบัดทุกข์ให้กับลูกให้กับคนที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำด้วยความเต็มใจไม่เห็นแก่นอนร่างกายจะพังไม่เป็นไรขอให้คนที่เรารู้จักเนี่ยเขาได้ดีมีสุขทำแล้วชื่นใจอย่างนี้เป็นมันเป็นตรงนี้มันกล้าสละไหใช่ไหละ่ะ เวลาไปทํางานเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรเนยมันเป็นบารมีได้เนะยถ้าทําเป็นถ้าไม่เป็นมันไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมันมีคนป่วยหนักใช่ไหมจะกลับบ้านแล้ทําไงพหตื่นเต้นเลยจะได้ช่วยคนมันถ้าเป็นอย่างนี้เป็นบารมีไหมเป็นบารมีข้อไหน ในขณะที่เราสละอวัยวะคือเราจะกลับไปพักผ่อนเราไม่ยอมพักผ่อนยอมลำบากลำบนยอมยอมเหน็ดเหนื่อยไตยเราจะพังก็ไม่เป็นไรตับจะพังก็ไม่เป็นไรปอดหัวใจหรืออัตภาพของเรานี่จะสุดหมดเลี้ยวหมดแรงไปก็ไม่เป็นไรเราก็สละความสุขตนเองทิ้งขวัขวายเพื่อจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นในพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้เป็นทานบารมีไหม การทําตามประเพณีของอริยะชนของหมู่อริยะทั้งหลายของหมู่บุคคลที่บําเพ็ญบารมีเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นศีลไหมไม่ติดข้องในความสุขความสบายทั้งหลายทั้งวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกา ร, รมเป็นเดชขม่าไหมมีปัญญารู้และเข้าใจว่าจะจัดแจงยังไงที่จะสามารถดําเนินชีวิตของท่านผู้นี้ให้เข้าสู่จุดหมายปลายทางพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นได้เป็นปัญญาบารมีไหมเพียรพยายามกล้ากล้าอาดทานอดทนไม่ท้อถอย ตอบปัญหาเรือุปสรรคเป็นวิทยาไหมเป็นทนต่อความหนาวความร้อนทั้งหลายเป็นต้นต่อความเจ็บใจเป็นต้นลําบากจากเขาที่ร้องบ้างด่าเราบ้างที่เขาทรมานเนี่ยเราก็ไม่ให้ความโกรธมันเข้าแผดเผาในใจิตใจเราเนี่ยเป็นขันติบา ร, รมีไหมตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําจริงแล้วก็จริงใจเป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานตั้งมั่นว่าถ้าแก้ไขบุคคลเหล่านี้ให้พ้นจาก โรคภัยไข้เจ็บหรือหายจากความเจ็บปวดเป็นต้นไม่ได้เราจะไม่ถอนความตั้งใจไปในที่ฐานไว้เนี่ยมีจิตใจเมตตาปรารถนาดีให้บุคคลทั้งหลายเป็นเมตตาไหมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำทำแล้วจะได้ลาบเสื่มลาบได้ยศเสื่มยศไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทเป็นดุเวขาไหมโอ้โหน่าถ้าเข้าใจตั้งนานมันน่าจะเป็นบารมีสิบตั้ง น, นั้นความไม่เข้าใจเนี่ยมันน่ากลัวไหมไม่เข้าใจน่ากลัวไหม เออแล้วพวกเราก็ บ, บรรเทาบารมีกันได้ใช่ไหมแล้วไปทํากันบ้างเปล่าได้ข้อเดียวข้อไหนในข้อไหนอุเบกขาอุเบกขาเป็นไม่ใชเฉยเป็นอเวขาบา ร, รมีด้วยการเป็นเฉย mới. เมยใครจะไปจะมาเฉยไม่สนเคย บ, บ ร, รมเพนบ่อยไหมข้อนี้บ่อยไม่บ่อยช่างใครจะว่าไงเฉยไม่สนเอม เดี๋ยวนี้ฉันวางเฉยหมดแล้วท่านไม่อยากได้อยากดีอะไรกับใครแล้วเบื่อเบื่อคนที่ทำงานาฉันไม่อยากสนใจใครอยู่เฉยๆเขาจะด่าจะว่าก็ช่างฉี้ก็เฉยเอาเป็นเวขาบา ร, รมีไหมอย่างนี้เขาเรียกโมหะอย่างนี้เรียกโมหะไม่เป็นบา ร, รมีสักข้อเลยเดี๋ยวนี้โดยมากคนทุกวันนี้เจริญข้อนี้กันเยอะไหมพวกเราก็เคยทำใช่ไหม ถ้ามันเริ่มจะเป็นต้องระวังอย่าให้จิตมันติดล่องในเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันทําไปแล้วรู้สึกเออมันดีมันกันไว้เนี่ยนักเก้านะคเก้เลยเสียนิสัยเลยทดี๋ยวนี้ฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาในลักษณะเนี้ยพระโพธิสัตว์ท่านก็พิจารณาว่าทานบารมีมันอยู่ในตนนี่แหละมันไม่ได้อยู่นอกเริ่มเห็นนี่ยังว่าเราเห็นตามไหมและสามารถผักดันทานบารมีให้เกิดได้ไหมว่าทานบารมีเป็นยังไงทานะอุปบารมีเป็นยังไงทานปรมาธบารมีเป็นยังไง มันฝึกได้จริงไหมตั้งแต่วินาทีนี้เลยทำได้ไหมตอนนั่งเนี้ยเป็นทานบารมีได้ได้ไงได้ไหมได้ยังไงในขณะนั่งเนี่เป็นทานบารมีได้ยังไงเราได้ถวายอัตภาพเป็นพุทธบูชาไหมได้ตั้งใจไหมเนื้อและเลือดโอ้บางคนกล้างจริงเนี่ย้าวเราจะนั่ง ถวายเป็นพุทธบูชาเราจะอัถภาพนี่เราไม่เสียดายหรอกเราไม่กลัวหรอกว่าอัฐภาพมันจะพังเราจะตั้งใจเอาอัถภาพนี้ถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมบูชาวระธรรมเราจะตั้งใจฟังนห้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้านั่งหลับเป็นไหมไม่ได้สักข้อเลยนะถ้านั่งหลับอากาศเย็นนาะสบายดีจังพระอยากพูดปล่อยท่านไป เรื่องท่านใช่ไเวลาพระมาพูดคิดสงสารพระบางคนคิดไหมสงสารยังไงสงสารว้าทาไมเรามันเข้าใจยากจริงๆ <c oughs> ทําไมท่านพูดแล้วพูดดีมันก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่แวบไม่เวบเลยเป็นไหมเป็นไห้ใช่ไหมเราคิดว่าเราจะทําให้พระเจ้าลําบากกี่พระองค์ถามจริง อตอบมาจริงๆอยากจะเล่าความรู้สึกของเราเข้าไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปค้าแต่พระ อ, องค์ก็จเจริญข้าพระ อ, องค์ก็ผ่านพระพุทธเจ้ามาเยอะแล้วสงสัยองค์นี้ข้าพระ อ, องค์ก็ไม่รอดอีกมั้งคงจะต้องคงจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆแกคิดอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าจะตอนนั้นพระพุทธเจ้าโปรดพายะทารุจริยะ แล้วพายะทารุจริยะเนี่ยโดน ว, วัวคิดตายใช่ไหมคนก็ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าพายยะทารุจริยะเนี่ยเออคติเป็นยังไงก็ไปถามพระ พ, พุทธเจ้าพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพาิยะทารุจริยะเนี่ยฟังพระพุทธเจ้าตรัสไม่กี่ประโยคเลยแล้วต่อมาไม่มีไม่มีกีวรวิ่งไปหาจีวรเพื่อจะมาบวชหาบริขาร ไปเจอวัวขุดตายแทย้จริงบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายะทารุจริยะไม่ทำให้ตถาคตต้องลำบากเลยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมคือพุทธเจ้าพูดเพียงแค่สองสามประโยคแล้วบรรลุแวบเลยเงี้ยไม่ใช่พูดตั้งแต่ตรัสรู้ไปฟังปฐมเทศนาก็แล้วฟังอนัตตลักณสูตรก็แล้ว ฟังอาทิตตะปริยัยสูตรก็แล้วฟังอนุภูพิกถาห้าก็แลว้วฟังรัตนสูตรก็แลว้วฟังเมตตาปริตก็โห๊ยฟังทุกสูตรจนถึงสุดท้ายอะ่ะจนพระเจ้ากล่าวอัปมาเทนะสัมปาเทถาก็แล้วจนทุกวัน <c oughs> <c oughs> อันนี้แปลว่าทําให้พระเจ้าลําบากไหมเนี่ยดีใจไหมเวรวิธีการก็คืออย่างนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งใจฟังธรรมม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจะสั่งสมบา ร, รมีข้อมูลความรู้ให้ชัดจะฝึกตนเองในการดาเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาให้ชํานาญที่สุดต่อไปถ้าเจอพุทธเจ้พาพระเจ้าจะต้องพูดคํานี้ครับพระเจ้าว่าใส่ชื่อเราไปว่าดูก่อยยมนิค <c oughs> เธอไม่ได้ทําให้ต ถ, ถาคตลําบากเลย อ, อย่างเงี้ยนะโอ้โห ไม่ใช่ว่าโอ้โหเจน<ง>นะเข้าใจใยังแต่เนี้ยเพราะพระพุทธเจ้ามีกิจเยอะไหมโอ้โท่านจะต้องโปรดคนอื่นอีกมากมายใช่ไหมละ่ะทำไมเราต้องสร้างภาลายพระพุทธเจ้าเยอะขึ้นตอนนี้เราก็ฝึกตัวเองสิต้องไม่เป็นคนอ่อนแอใช่ไหมมีคำว่ามีตถาคตโพธิสัตถาก็คือเชื่อมั่นปัญญาคาว่าเชื่อมั่นปัญญาตัาสรถ ก, ก็แปลว่าฝึกตนเองเนี่ย เชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะฝึกทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารปัญญาวิริยะขันติตศ จ, จ่าทิฏฐานเมตตาและเบิดขาบา ร, รมีเอาบา ร, รมีเหล่านั้นมาไว้ในตนแล้วก็ขับเน้นฝึกบา ร, รมีเหล่านั้นให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดความชํานาญจนทําบา ร, รมีเหล่านั้นทุกข้อให้เต็มได้ด้วยความเพียรความพยายามด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจโอ้ยถ้าทำให้เกือบเต็มเต็มหรือใกล้จะเต็มเนี่ยฟังวิจารณ์นิดเดียวเต็มไหมโอ้เรียบร้อยเลยแต่พอดูโอ้โหไม่มีเหลือสักข้อเลยยุ่ง เอาบำเพ็ญข้อไหนมาบ้างพระพุทธเจ้ามาถามเงี้ยไม่รู้เรื่องสักข้อเลยเงี้ยยุ่งไหมงั้นพวกเราต้องขนขวายทุกวันไหมแต่เนี้ยขนขวายกันแล้วแต่เนี้เราจะไม่ทาให้พระพุทธเจ้าต้องลำบากเนาะนี่แหละคือเรื่องของการที่พิจารณาเรื่องทานบารามีงั้นทานบารามีอยู่ในตนเข้าใจนะอุปบารามีก็อยู่ในตนปรมัตถบารามีก็อยู่ในตนและศีลบารามีแ่ะ อยู่ที่ไหนศีลบารมีเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมโอ้ขนาดคิดยังยากแล้วใช่ไหมก็ทานบารมีเป็นรูปเป็นนามเนี่ยเป็นนามธรรมจริงแต่เกี่ยวข้องกับรูปธรรมใช่หมแล้วก็มีเป็นนามธรรมไปเกี่ยวข้องตกแต่งรูปธรรมในการสละในการให้ถ้าถามว่าโยมที่นั่งอยู่ทั้งหมดเราเนี่ยเป็นทานบารมีให้อะมาได้ไหมได้หรือไม่ได้ เป็นได้ยังไงอ่ะเป็นทานบารมีได้ยังไงก็阿มาสามารถให้อภัยยาทานได้ทุกคนไหมเนี่ยได้ไหมไถือเป็นวัตถุทานก็ได้ถือเป็นวัตถุทานก็ได้คือน้อมสลักเนี่ยยกถวายเป็นยกทวทถวายบูชาทำเลยได้หมดเลยเนี่ยยกบูชาได้ทุกคนเลยนเนี่ย ใช้ใจในะยกบูชาบูชาบูชาบูชาพระรัตนตรัยได้หมดเลยเอาบูชาเสร็จแล้วทํำยังไงอา้าวยอมยอมเห็นพระเนี่ยยอมนึกถวายเป็นพุทธบูชาไหมถ้าถวายพุทธบูชานี่ถวายขาดไหมถ้าถวายไม่ขาดเนี่ยยอมไปทําอะไรยังงุดหงิดกับยอม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอา้าวฉันยกเบนะียดเตนะยมจะนั่งฟังได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะนั่งตัวตรงหรือตัวเอียงจะนั่งหลับหรือนั่งตื่นอยะไรเนี้ย จะนอนฟังหรือยืนฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าฉันยกถวายเป็นพุทธบูชาเสเสร็จปุ๊บฉันจะขัดเครืองไหมเพราะอะไรไม่ขัดเครืองเพราะได้ยกถวายไปแล้วเมื่อเมื่อถวายไปแล้วก็เป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วยกถวายเป็นพุทธบูชานี่เป็นทานบรารมีได้ไหมแล้วเป็นอภัยทานได้ไหมเป็นธรรมทานได้ไหมเนี่ยให้ข้อมูลอยู่ทุกวันง่ายง่ายเห็นไหมเนี่ยโอ้โยมโกระแสชีวิตต้องโย ม, โยมทุก เป็นที่ตั้งของกา ร, รบำเพ็ญทานบารมียันได้หมดเลยเอาโยมเคยทำแบบนี้ไหมล่ะนี่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนมากใช้ความรู้ความเข้าใจล้วนๆเป็นบารมีได้อะใช่ไมโยมไม่ไ ม, ไม่ทำอะ่ะทำไหมอย่างทำไหมอย่างแล้วยอมตั้งใจทำจริงหรือไม่จริงทำจริงงั้นโยมห้ามขัดเคืองกันนะโยมตั้งทุกคนเลยนะตั้งตั้งตั้งตั้ง ต่อไปถ้าเขาลุกขึ้นมาก็เดินมาเหยียบขาโยมโยมจะมีความรู้สึกยังไงโอ้เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเมอถ้าไม่ถวายแล้วน่าดูน่าดูอย่างไหมพอมองอย่างนี้อย่างอ๋อเราถวายได้จริงๆริใช่ไหมกัดฟันนิดนึงถ้าทําได้จริงเป็นบา ร, รมีไหมเป็นนี่เป็นทานบา ร, รมีด้วยใช่ไหม แล้วให้อภัยทานได้ไหมว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทําความโกรธความเกลียดความมาฆาาความพยาบาทให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของท่านผู้นี้ไม่ว่าจะเกิดในอัถภาพใดที่ใดไปเจอในพบใดขอให้ความโกรธความมาฆ่าพยาบาทการไปเย า, า่ยมได้เกิดขึ้นกับกระแสชีวิตท่านผู้นี้อีกเลยจนกว่าจะเข้าถึงเส่ออนุ ป, ปาธาบาิีนิพานเคยคิดถึงขนานี้ไหมล่ะเคยไหมงั้นก็รีบคิดสิจันมีคนคิดให้ใช่ไหมล่ะ ทำไมไม่ตั้งไว้แล้วอันนี้เกื้อกูลกับแขกชีวิตเราไหมเกื้อกูลดิตั้งไว้เลยเสียศักดิ์ศรีไม่ตั้งแบบเนี้ยเป็นบารมีไหมเป็นเลยเป็นบารมีเลยโอ้โหนี่เป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นนะเป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมนะเราเริ่มแปลกใจไหมว่าทําไมเราไม่บรรลุธรรมแปลกใจหรือไม่แปลกใจไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเราไม่เคยทําแบบนี้งไงใช่ไหม เพราะเราไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะเราไม่เคยคิดให้ความปลอดภัยในชีวิตใครแสดงให้เห็นจนพอเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่เราจะรู้ทันทีว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดี <c oughs> ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไม <c oughs> มีคนยกย่องว่าเราเป็นคนดีนี่ <c oughs> เราเห็นนึกถึงนักเรียนแล้วเรามีความชื่นใจไหมชื่นและสุขใจเลยไหม นึกมีนักเรียนกี่คนที่โรงเรียนร้อยห้าสิบคนแค่นี้แหละใช่ไหมแล้วเราเคยให้ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนร้อยยีิบร้อยห้าสิบคนทุกวันไหม อ, ไไอี๋แต่ที่จริงแค่ความคิดยังคิดไม่เป็นยังคิดไม่ได้ต้องคิดให้ได้สิก็คิดถึงเขาอ่ะ แล้วก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทําความเกลียดความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความน้อยเนื้อต่ําใจใเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวก็จะไม่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งการพ้นทุกพูดบ่อยๆบ่อยๆไม่ไมใจไม่ยอมไ ม, ไม่ยอมเอาสักหน่อยได้ไหมหรอกไม่ได้เราให้ขอ้อมูลนึ่งใช่ไหมเถียงกับเขาบ่อยๆ บ, บางทีนไม่ยอมใช่ไหมว่าไม่เคยนี่เอาให้ได้สิบห้าคนอีกห้าคนไม่ให้ได้ไหม เคยไหมเราไปไปทำงานเนี่ยมัน ไ, ไปทํางานในโรงพยาบาลบางทีแผ่เมตตาให้ทุกคนเว้นคนเดียวเนี่ยไอคนนี้เว้นไม่ได้เอยคนนี้เคยเป็นไหมยอมก็ไม่ได้อะเห็นไหมเนี่ย ม, มีมีข้อแม้เริ่มสงสัยไหมว่าทําไมไม่บรรลุสงสัยไหม ไม่สงสัยแล้วเนี่ยเพราะอะไรใช่เพราะเราไม่สามเราไม่ทาลายเราไม่ทําลายตันหาในบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเราเมื่อเขาทำดีเราก็เกิดการ ม, มาตันหายินดีพอใจอยากไปเกี่ยวข้องกับเขาและก็พัฒนาไปสู่ภาวะตันหาอยากให้เขาดีกับเราให้มั่นคงตลอดไป แล้วก็ถ้าเขาไม่ดีในความรู้สึกของเราเราก็อยากจะผลักไสไล่ให้เขาให้พน้นหรือเราอยากจะเดินในพ้นเขาเป็นวิภพวะตัญหาใช่ไหมแปลว่าเราไม่เคยได้บารมีจากการเกี่ยวข้องกับคนเลยแม้แต่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็ไม่ได้บารมีเราก็ไปเครียดไปกรุ่มแม้กับพี่กับน้องทั้งหลายเหล่านี้เราไม่เคยได้บารมีได้อะไรหนึ่งได้การ ม, มาตัญหาเมื่อเขาทาที ได้ภาวะตัณหาอยากให้เขามั่นคงถาวรได้วิภาวะตัณหาเมื่อเราอยากให้เขาพ้นอยากให้เขาพลากอยากให้อักัปกิริยาหรือปฏิกิริยาของเขาหรือพฤติกรรมไม่ดีนั้นให้เขาพ้นจากสภาพเหล่านั้นแล้วก็ได้แค่กามาตัณหาบววตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะหาไอตัณหาเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของทุกยังไงเป็นธรรมะที่ควรละไม่ใช่ธรรมะที่ควรเจริญ แต่เราเอามาเจริญทุกวันแล้วเราจะพ้นทุกได้ยังไง <c oughs> แค่ทํากิจในอริยศาสตร์มันก็ผิดแล้วสมควรไหมที่จะพ้นทุกข ไ, <c oughs> ไม่สมควรใช่ <c oughs> ไหมล่ะเข้าใจอย่างตอนนี้ยเห็นไหมว่าเราเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่าว่าจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยเกี่ยวข้องกับสุนัขเลี้ยงสุนัขไว้ตัวเราเลี้ยงด้วยอะไรเนี่ย เราเลี้ยงสุนัขตัวนั้นเป็นทานบารมีไหมเป็นไม่เป็นมันเป็นตัวเดียวได้ยังไงทำไมสุนัขตาข้างถนนมันไม่เป็นล่ะเฉยไหมล่ะเอาเลี้ยงพวกอะไรเนี่ยตัณหาใช่ไหมเนี่ยความอยากความต้องการใช่ไหมเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปทำลายเราไม่ได้ทำลายกิเลสกันเลยเรากับเราไม่ไปตัดวงจรหรือ อาหารของกิเลสแต่เรากลับไปหยอดหรือไปให้อาหารของกิเลสตลอดเลยในชีวิตที่ผ่านมาแล้วกิเลสมันโตไหมแต่เนี้ยมันโตแล้วว่าโตแล้วมีกําลังไหมพอมีกําลังขึ้นมาแล้วคุมมันได้ไหมแต่เนี้ยตอนนี้มันโอ้โหตัวมันอ้วนขนาดนี้มีกําลังขนาดนี้แย่ไหมแต่เนี้ยดูมันเล่นงานเราสิแต่เนี้ยเวลากิเลสมันกลับมาเล่นงานเราแล้วเป็นยังไงทตเนี้ย <c oughs> นี่เขาเรียกว่าเป็นการอะไร เป็นการให้อาหารแทนที่เราควรที่จะให้อาหารของศรัทธาเราก็ไม่ให้อาหารของตัณหาใช่ไหแทนที่จะให้อาหารของวิริยะเราก็ไปให้อาหารของโกสัจฉะคือความเกียจคร้านแทนที่จะให้อาหารสติเราก็ไปให้อาหารของมุตดสติคือการหลงลืมแทนที่จะให้อาหารของสมาธิเราก็ไปให้อาหารของอุทธะคือความฟ้งซ่านแทนที่เราจะให้อาหารของปัญญาเราก็ไปให้อาหารของโมหะใช่ไหม วิจิตริช้าความลังเลสงสัยเป็นต้นเหล่านี้ยุ่งเลยแต่เนี้ยแล้วกิเลส ต, ตรงนี้เริ่มโหมีพลังกันมากเลยนาะนๆจัดกิจกรรมมาเจอพระที <laughs> พ้าเห็นแต่ละทีนนะโอ้โห <laughs> คือยอมเคยเห็นคนไข้ที่จะต้องเข้าห้อง icu แล้วก็จะต้องให้น้ำเกลือตลอดเวลาไหมถอดน้ำเกลือแล้วตายอ่ะ ถ้าเราเป็นคนไข่นเนี่ยนะไม่ใช่เราเนี่ยเป็นคนไข้เราคิดว่าเราเป็นคนไข้ระดับไหนเป็นระดับขั้นโคมา่ารอเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต้องต้องเสียบน้ำสายน้ำเกลือตลอดั้มหรือไม่ตลอดเวลาใดไม่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจตอนนั้นใจเราคิดเรื่องอะไรแก้ปัญหาได้ทุกครั้งไหม เรียบร้อยเลยแสดงว่าเราต้องเสียบน้ําเกลือคือธรรมะ ต, ตลอดเลยหลอเลี้ยงตลอดเนี่ยถอดไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าถอดละยุ่งเลยเนี่ยตอนนี้เราฟังธรรมะ ก, ก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีอยู่เนี่ยนะ <c oughs> พอออกไปกันเนี่ยโอ้โหลมเดือดร้อนตั้งแต่หน้าประตูนี่แล้ว <c oughs> โอ้หน่ากลัวจังจะ <c oughs> ม <c oughs> โอ้พระธรรมมีค่าตรงนี้แหละ มีค่าตรงที่ว่าหยุดฟังไม่ได้หยุดทําความเข้าใจไม่ได้เวลาใดความเข้าใจในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าหายไปปุ๊บเนี่ยเวลานั้นชีวิตสเปสสปะเลยแต่เนี้ยโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนตายอมเราใส่ตาได้แล้วตอนเนี้ยแต่พอหยุดฟังธรรมะเอาตาออกเดินเดินไปทั่วมั่วเลยแต่เนี้ยตอนนี้เอามาทํากิจกรรมในการใส่ตาพระก็พย า, ายามใส่ด้วยความยากด้วยความลําบากใส่ให้แล้วไปแกะตาทิ้งซะนี่โ เห็นภาพไหมเนี่ยโอยตายแล้วเมื่อใส่ให้หลายรอบแล้วกลับมาตาบอดกลับมาเรื่อยๆเอาใส่ใหม่ไปอีกคนไม่เคยมีตาเนี่ยพอเอาตาไปใส่แล้วมันลุงลังนะรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดที่มันมองอะไรมันเห็นั้หมดเน่ยเคยอึดอัดไหมคือชีวิตเราอยู่กับความมืดมา รู้สึกมันมันมันมันมันสนุกกับความมืดเนี่ยทำบาปทำบุญทำอะไรไม่รู้เรื่องทั้งนั้นใช่ไหมกายทษจริตวิจีทษเจริญมโนทษจริญมันมั่วหมดรู้สึกมันมันสนุกไอ้เรื่องมั่วม่วงเนี่ยแต่พอเอาตามาใส่ปุ๊บมันสว่างขึ้นมาโอ้โหชักทำใจไม่ได้ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยมันเริ่มอึดอัดนะใหม่ๆเนี่ยเข้าใจยังสรุปแล้วเราอยากจะมีตาหรือไม่มีตาถามจริงเลยแล้วห้ามเอาทิ้งไงตอนนี้เนี่ยแล้วตอนนี้ ใส่ได้ยังเมืนอี้หนีซะนี่ยเวลาจะผ่าตาใส่ทำท่าห น, นีบางคนไม่สนใจหลับหนีซะนี่ไม่ยอ ม, มเขาไ ม, มไม่ยอมไม่ยอมใส่ตาเลยเดี๋ยนี้กลับไปกลับไปอะไรมาไปฟังธรรมะพรพูดเรื่องอะไรไม่รู้ <c oughs> อยากอยากรู้ไปฟังงองก็วันน <c oughs> อย่าไายุ่งกับฉันมากเดี๋ยวหงุดหงิดใส่ <c oughs> อ, อลําบากจริงยอมเหนื่อยไหม ถ้าไปมีหมอคนหนึ่งไปทำกิจกรรมผ่าเอาตาใส่พอสภาพาคนไข้บอกว่าคว้างตาทิ้งไปแล้สงสารคนไข้หรือสองสารหมอสงสารหมอต่อไปก็อย่ า, อ ย, าอย่าเชิญหมอมาบ่อยจะให พระเจ้าเป็นหมอเน่จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นหมอใส่ใส่ตาคือปัญญาพอกเราทีนี้จัดทั้งหลายก็ไม่เคยทีนี้เวลาพระุทธเจ้าให้ตาทุกทุกคนก็ไปรับแล้วเอามาใส่แต่บางคนรับตาเสร็จแล้วแล้วก็ถือตาวิ่งไปวิ่งไป บอกว่ามืดจริงโว้ยทุกจริงโว้ยไอ้นี่ไม่ยอมใส่ตาถือตาวิ่งโอ้แล้วจะว่ายังไงอยอมจะว่าไงดีถ้าเจอเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราควรสรุปลงเรื่องอะไรกรมมุ น, นาวัตะตีโลาก สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใช่ไหมจริงไม่จริงตอนนี้ได้ได้ลงพุทธพลดแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่จริงฉันพูดเนี่ยน่าขาหรือหรือหรือไม่น่าขำจริงจริงเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงอะไรนะสองเพ็ ก็ก็ตรงนี้ก็ชี้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เพียรพยายามแล้วแล้วๆเลเออก็จะมีลักษณะเนี่ยว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งก็ไม่ได้เหมาะแก่บุคคลแล้วเหมาะแก่การเท่าไลรถ้าในการนั้นในบุคคลนั้นเ็าวิปริตมนาสิกาลกันหมดแล้วภาษาปัจจุบันเ็าชอบใช้คำว่าตักกะวิบัต คำว่าตากาวิบัติก็คือคนวิปริษตนะก็คือเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระใช่ไหมคือเห็นว่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระบางคนเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคือเขาเห็นว่าศีลเนี่ยคือเขาเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นสาระไหมถ้าใครเข้าถึงศีละสาระสมาธิปัญญา ศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเขาจะเข้าถึงวิมุตติสาระซึ่งเป็นสาระที่สามารถพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้แต่คนบางคนบอกเขาเห็นว่ามันไม่เป็นสาระศีลไม่ใช่สาระไม่มีไม่มีสาระสมาธิไม่มีสาระปัญญาไม่มีสาระเลกแต่สาระของเขาคือโลภะตัวสาโมหะที่สี่สาระยุ่งเลยไหยเขาก็ไปยึดถืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเพิ่มความโลภเขาความโกรธเขาความหลงเขา ถ้าก็ไปเห็นทุจริตเป็นสาระเห็นธุจริตว่าเป็นอาสาระยุ่งเนอะเขาเห็นทุดะดิตว่ามันเป็นสาระนี่เขาก็ประพฤติทุดะดิตใช่ไหมเห็นเงินว่าเป็นสาระเขาก็เงินเป็นตัวตั้งเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเห็นยศเป็นสาระเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ยศเห็นเกียรติยศชื่อเสียงเห็นเงินทองเห็นข้าวของทั้งหลายเป็นสาระเขาก็พุ่งไปที่ตัวนี้แหละใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่สนใจละศีลสาระสมาธิสาระปัญญาผิดศีลก็ได้ ผิดสินวธรทำก็ได้เขาทำได้ทั้งหมดเพราะเขาเห็นว่ามันไม่เป็นสารละงั้นเขาก็กําหนดสิ่งที่ไม่เป็นสารละนี่ก็มาจากอะไรมาจากมิจฉาสังกัปปะเป็นทางดําเนินชีวิตเขา อ, อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพอจะมองเห็นนลยนะเอาแล้วนี้ พ, พอมองอย่างเนี้พทะเจ้าก็จะมาพิจารณาให้เราเห็นอ๋อบารมีอ่ะจริงๆแล้วบารมีเนะี่ยไม่ได้อยู่นอกตน มันอยู่ในตนเป็นธรรมชาติที่มีมอยู่แล้วแต่เพียงว่าเราจะสามารถขุดคุ้ยและผักดันให้เขาเกิดขึ้นมามีกําลังได้เมื่อไหร่เท่านั้นเพราะเราไปกรบเขาไว้เราใช้โรพาโทสาโมหามานาทิฐิวิจิกิชา้าหีริกาโนวตปาอุทธะจะคือความฟุง้งซ่านใช้กายทุจริตวจีทุจริตโมโนทุจริตใช้บาปประกา ร, รมันชั่วร้ายทั้งหลายไปปิดเขาไว้อยู่แล้วเราก็ดําเนินชีวิตไปตามกิเลสเหล่านี้ เป็ น, เ ป, นเป็นการดําเนินกระแสชีวิตวเราด้วยกิเลสเหล่านี้ตลอดเวลาแต่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ามาชี้ให้เห็นเลยพระเจ้ามาชี้เห็นตอนที่สุมเมธาดาบทท่านบําเพ็ญบา ร, รมีท่านก็บอกว่าทานบารมีมันอยู่ในต้นศีลบารมีอยู่ในต้นเนกข ม, มปัญญาวิริยคันติสาจาัจจะที่ฐานเมตตาและเบคาบารมีอยู่ในตนนะไม่ได้อยู่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไม่ได้ทอยู่ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนไม่ได้ไปค้นคว้าหาอะไรที่อื่นมันอยู่ในตนนี่แหละ ว่างั้นเถอเอาอยู่ยังไงพุทธเจ้าก็บอกวิธีเลยทํายังไงจะให้อาหารผักดันออกไม้เขามาทํางานให้ทานบารมีทํางานทานอุปบารมีทํางานทานะปรมัธาบารมีทํางานให้ศีลบารมีคือเจตนาโยธาเจตนาโยธาทานเจตนาโยสีศีและเจตนาโยธาทานาเจตนาโยธาศีและเจตนาโยธาก็เจตนาในการที่จะงดเว้นจากบาปอักษรกรรมบัญชวร้ายทั้งหลายใช่ไหมเออก็มาจาก ศีลเจตนาศีรษะเนี่ยตัวศีลเนี่ยที่จะเป็นบารมีได้ศีลนั้นก็จะต้องไม่มีที่สุดบางคนรักษาศีลมีมีทรัพย์เป็นที่สุดเคยเห็นไหมพอมีทรัพย์มาล่อแล้วผิดศีลก็พังเพราะทรัพย์เคยเห็นไหมบางคนก็มีอะไรเนี่ยมีญาติพังเพราะญาติเนี่ยถ้าถ้าญาตและศีลพังไม่เป็นไรเพราะญาต บางคนสูงขึ้นไปหน่อยก็มีอวัยวะเป็นที่สุดก็เห็นนะโอ้ถ้าจะสนเสียอวัยวะนี่ผิดศีลก็เอาบางคนก็มีอะไรมีชีวิตเป็นที่สุดโอ้ถ้าจะถึงก็ตายนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ไม่รักษาศีลกว่าการรักษาศีลที่มีที่สุดเป็นบารมีหรือไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะเข้าใจคําว่ามีที่สุดไหมยอย่างยกตัวยอย่างเช่น รักษาศีลมีทรัพย์เป็นที่สุดถ้ามีใครเอาทรัพย์มาให้เราก้าผิดศีลไหมกล้าไหมกล้าไม่กล้าถ้าเขาจะให้เราผิดศีลเนี่ยก็เอาทรัพย์มาให้เราผิดไหมกล้าทำผิดไหมเพราะอะไรหมื่นหนึ่งกล้าทำทิผิดศีลไหมแสนหนึ่งนัน <c oughs> ทำท่าพูดน้อยแล้ว <c oughs> เอาราศนึงล้านนึ สองล้านเนะาะนน่ น, นเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกมีอะไรเป็นที่สุดมีมีซับเป็นที่สุดถ้าการรักษาศีลในลักษณะนี้ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงต้องตั้งใจให้แข็งแรงแล้วเราจะไม่ให้มีรับเป็นที่สุด ถ้ามีคนจะบอกช่วยโกหกด้วยน้อยให้หน่อยเลยไปที่ศาลช่วยโกหกเป็นพยานนี่หน่อยจะให้ห้าแสนแค่โกหกแค่นั่นแหละนิดเดียวเอาล้านหนึ่งสองล้านอันนี้มาพูดเล่นๆท่านเอามันจริงๆหน่อยจะเลยตัดสินใจอย่างนั้นรึถามถามจริงกล้าไอ้ถ้ามีทรัพย์มาลอกนี่กล้าผิดศีลไหม โอโ้กล้าไม่กล้าไม่กล้าโอ้โหคนดีเริ่มเยอะแล้ว <c oughs> ถ้าพระไม่นั่งอยู่ตรงเนี้ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขอเจราจาหน่อย <c oughs> นี่เห็นไหมเนี่ยบา ร, รมีไม่เกิดตรงเนี้ยมันมันขาดความเกล้วกล้าขาดความอาถรรแล้วเราไปเห็นทรัพย์เป็นเป็นเป็ น, ปนมีทรัพย์เป็นที่สุดถ้าญาติล่ะญาติติดคุกแต่เราโกหกแล้วญาติจะไม่ติด กล้าไหมแล้วคนนั้นเป็นพ่อเราด้วยอะ่ะแล้วพ่อป่วยั้งหากแล้วอยากให้พ่อติดคุกั้ยว่าไงอะ่ะแค่โกหกนิดเดียวแค่เนี้ยแล้วพ่อหลุดคดีเลยอะ่ะกล้าไหมกล้ายอมกล้าไหมจะเอาศีลหรือเอาพ่อ <c oughs> แล้วเจะพ่อบอกกับพ่อไง <c oughs> พ่อเลยบอกทำไมแค่นี้ไม่ช่วยกูขอไป พอเริ่มใช้ภาษาพอคุณลำแล้วทำไมไม่ช่วยกมแล้วจะบอกกับพ่อว่าง ไ, ไางนี่เป็นลูกฉันหรือเปล่าฮะออ <c oughs> ยังก็มาติดแทนฉันดีเท่านั้นถ้าเขาจริงจริงถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงเอมกล้าจะยืนยันอยู่ที่ธรรมะที่ศีลไหม ไม่ยืนยันแล้วใช่ไหมนีม่เห็นไหมเนี่ยวิธีการคืออย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพ่อเรื่องธรรมะเรื่องศีลเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันสคัญโลกใบนี้มันเอียงกันเยอะพ่อก็คือพ่อก็ไม่เป็นไรเราเมื่อพ่อทำผิดพ่อก็ต้องรับผลของการกระทาตา ม, ามกฎเกณฑ์กติกาหลักเกณฑ์นั้น ฉันก็เป็นลูกของพ่อเขารอบลักแล้วก็อย่าเยี่ยมเยียนดูแลให้เต็มที่เท่าที่ลูกจะทําได้แต่ตอนนี้พ่อก็ต้องเข้าไปติดคุกก่อนเนะพ่อนี <c> ่ <oughs> ชัดเจนอย่างตดียวนี่โ <Okay. S 1> ลูกไม่รักดีก็ได้เนี่ยพ่อเนี่ยรักดีเป็นแบบนี้แหละเ <c oughs> นี่ยกเรกียกว่าไม่มีญาติเป็นที่สุดทีนี้ถ้าจะสูญเสียอวัยวะ ถ้าจะสูญเสียอวัยวะถ้ามีเหตุว่าถ้าโกหกได้เป็นต้นเหล่านี้หรือถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถูกตัดอวัยวะหรืออย่ายกตัวอย่างเช่นพระเนี่ยนะเออพระเนี่ยหมอเขาบอกว่าคุณต้องกินข้าวตอนเช้าตอนเย็นด้วยเพราะกระเพาะท่านมีปัญหาแล้ว ได้มากใน้โรงพยาบาลก็บอกป่วยอย ก, กินข้าวเย็นได้ใช่ไหมไอ้แท้จริงมันผิดเนี่ยเราก็เอาความเห็นของเราเนี่ยไปใส่แล้วไปพานท่านกินไปพอไปบอกปุ๊บเนี่ยไม่เป็นไรเราท่านเ ข, ขายกเว้นคนป่วยเพราะนั่นเองยกเล้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีอวัยวะเป็นที่สุดกลัวอวัยวะจะพังแล้วก็ ชีวิตนะตรงนี้แหละการรักษาศีลที่จะเป็นบารมีได้คือต้องการขับเน้นว่าไม่ได้มีที่สุดนึกทีนี้มันจะยากไหม <c oughs> ถ้าถ้ารักษาศีลอย่างเงี้ย <c oughs> เราว่ามันจะยุ่งยากไหมถามจริง <c oughs> ยอมว่าร <c oughs> ักษาศีลแบบนี้จะยุ่งยากไหม <c oughs> มันอึดอัดไม่ถามจริง <c oughs> การรักษาศีลจริงๆก็เรียกเจริญหรือการฝึกนะศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่ศีลเป็นข้อฝึกที่จริงพระพุทธเจ้ยายไม่บอกว่าห้าม <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าห้ามฆ่าสะเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าศีลมีสองอย่างนะศีลที่เป็นเทวนิยมกับศีลที่เป็นสภาวานิยมถ้าศีลที่เป็นสภาวะนิยมเนี่ยเป็นไปตามสภาวธรรมศีลเป็นนำมารมเป็นเจตนาเนี่ ย, ยขอดื่มน้ําที่ไม่เย็นนิดหนึ่ง <c oughs> คือศีลมีสองอย่างนะิยมอหนึ่ง <c oughs> เป็นแบบเทวานิยมกับสภาวะนิยม <c oughs> ถ้าเป็นเทวานิยมเนี่ยเป็นข้อห้ามเกิดขึ้นจากเทวะองค์การที่ในาศาสนาที่เป็นกลุ่มเทวานิยมเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามโดย มีท่านที่เป็นเทวะหรือองค์เทพทั้งหลายเลยเนี่ยเป็นวางเป็นข้อห้ามกันไว้แต่ศีลในพุทธศาสนาแยกให้ออกเป็นสภาวะนิยมไม่ใช่ข้อห้ามแต่กล่าวเป็นไปตามสภาวธรรมเป็นข้อฝึกคืออย่างยกตัวอย่างถ้ามีเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ย ตัวตัวตัวศีลเนี่ยเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวสมมุติเป็นสภาวะมันมาจากเจตจำนงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าเพราะต้องการฝึกพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามฝึกพฤติกรรมตนเองให้ให้ไม่เกลื่อนเกล็ไม่กระจัดกระจายแต่ถ้าจะไม่ฝึกพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรแลวบอกเพียงแค่ว่า ถ้ามีเจตนาในการฆ่านะมีจิตนะีสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียนเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียนลักษณะนี้นะมีเจตจํานงมีความจงใจในการฆ่าตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตใจจะเป็นยังไงสภาพจิตใจก็จะเป็นไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนความกัดกรุ้มทุกทมนัทก็จะกิดขึ้นในใจความเครียดความกัดกรุ้น ความไม่สบายใจทั้งหลายความเร่าร้อนในใจก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นในด้านนามาทำทางด้านบุคลิกภาพก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สมือนถึงมีความหยาบกร้านเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ออกมาทางด้านบุคลิกภาพส่วนผลที่จะตามมาคือเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์แล้วก็สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าจก็จะชี้เห็นว่าถ้ามีเจตนาในการฆ่า โทษมันให้กับจิตใจเป็นอย่างนี้บุคลิกภาพเป็นอย่างนี้เสื่อมราบเสื่อมยศเป็นอย่างนี้ประสบความทุกข์สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเดือดร้อนเป็นอย่างนี้ก็ชี้เห็นถ้ามีเจตจำนงในการงดเว้นจากการฆ่าจิตใจก็เป็นไปกับสุขสมมานัทเกิดขึ้นมีความจิตไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ่วเกิดขึ้นบุคลิกภาพกลายเป็นคนนี้มีพฤติกรรมที่อ่อนโยนนะสีหน้าแววตาก็ผ่องใส ประสบความมีลาบมียอดสุขสารเสริญสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็เป็นสังคมที่เอื้ออาทอนร่มเย็นเพื่อจ้าชี้2ประเด็นอย่างนี้ว่าใครจะฝึกยังไงถ้าถ้าฝึกพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปกับกุณศลศีลก็จะให้กระแสะชีวิตของตนเองจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามยังไงสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมดีงามยังไงเป็นต้นเกื้อกูลต่อทํรมชาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแก่ตนเองและแก่สภาพสังคมยังไงเป็นต้นนี้ แต่ถ้าหากว่ามีเจตนานในการข่าเบีบเบียนแล้วเนี่ยมันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นยังไงเป็นต้นฉะนั้นศีลตรงนี้จึงเป็นสภาวะนิยมเป็นไปตามสภาวธรรมเมื่อทําอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างนี้ถ้าสร้างเหตุอย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างนี้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจงทําอย่างนั้นจงไม่ทําอย่างนี้บอกเหตุบอกผลแล้วคุณอยากเป็นอะไรคุณทําถ้าอยากเป็นสัตว์นรกคุณทําอย่างนี้แล้วจะไปเป็นสัตว์นรก อยากเป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้อยากเป็นเปรตสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้อยากเป็นอสุรกายสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้อยากเป็นมนุษย์บ้าใบบอดหนวกเป็นงี้อยากเป็นมนุษย์มีสติปัญญาเป็นอย่างนี้อยากเป็นเทวดาอย่างนี้อยากเป็นพรหมอย่างนี้บอกหลักการเสร็จเสร็จปุ๊บพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกเรื่องเดินหรือไม่เดินเรื่องคุณคุณเลือกเลคุณมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่นี่คือพุทธศาสนาเนะจะสอนแบบนี้ชัดเจนไหมแบบนี้ถ้าอยากประสบความสุขก็ทําอยากพ้นทุกข์ก็ทาแบบเนี้ ถ้าอยากติดอยู่ในสังสารวัฏก็ทำอย่างนี้อยากยิ่งใหญ่เป็นราช hi าช้าม้ากษัตริย์ก็สร้างเหต <laughs> ุปัจจัยอยู่อย่างเงี้ยเป็นศาสนาที่ไม่ได้บังคับจิงไม่ค่อยเหมาะแก่คนไทยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเพราะคนไทยเป็นประเภทไดฮะเพราะว่าพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาอยู่กับคนเป็นเพศประเภทไฟรู้ ไปศึกษา <c oughs> แต่คนไทยไม่ใช่นิสัยฝ่รู้ไปศึกษาไม่ใช่คนไทยไม่ชอบแสวงหาความรู้แต่คนไทยชอบแสดงความคิดเห็นยังไงเวลานั่งคุยกันนะถามเป็นความรู้หรือความเห็นความเห็นล้วนเถียงกันได้ทั้งวันรู้ทุกเรื่อง เรื่องตามความเห็นไม่ใช่ตามความจริง <c oughs> ทีนี้พูดถึงเรื่องศีลและบารามนะีตัวศีลและบารามีเนี่ยเจตนาศีลแต่ถ้าพูดเจาะลงไปเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรมรมศีลพวกเรางงเต <c oughs> งงเลยใช่ไหมเจตนาศีลก็คือมีเจตจำนงมีความจงใจในการที่จะงดเว้นบาปกรรมอันชั่วร้ายที่ออกมาทางกายทางวาจาเคยมีการคิดแบบนี้ไหม ต้องการที่จะให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพของตนเองเป็นไปได้วยความสุดจริตเรียบร้อยดีงามางนี่สีลแสดงว่าศีลนี่เป็นนามธรรมไหมเป็นนามธรรมที่มากํากับอะไรกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้ไม่เกลื่อนก ล, ล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปได้วยความเป็นผู้ทุศีนย์ยศั์อย่างนี้ใช้อย่างนี้เข้าใจไหมเออเกลื่อนก ล, ล่นคื อ, อยังไง อยู่ดี ด, ดก็มือไปบี้มดไงนเนี่ยเกินก่อนนี่ก็จายกระ จ, จายเงนะไม่คุมไม่คุมพฤติกรรมทางกายไม่พฤติกรรมทางวาจาอยากพูดอะไรก็พูดอะคนที่อยู่คนเดียวก็พูดอะไรไปเรื่อยมีศีลไหมยอย่างนั้นก็เรียกว่าทุศีลทุศีลเห็นไหมทุศีลง่ายมากเลยอ่าลองพูดเล่นไปดิพูดพูดเล่นเรื่อยเปื่อยไปเลยนี่เนี่ย เ, เป็นเป็นมิจฉาวาจาทันทีนะเนี่ย พูดเท็จบ่อยไหมพูดสอเสียดบ่อยไหมคำว่าส่อเสียดก็คือพูดเท้คนเขาขัดแย้งกันรู้สึกว่าไอ้คนนี้สามราขีกันดีนะจัดการจะเลย <c oughs> มีเ <c oughs> ทคนิคในการทำให้คนแตกกันเนี่ยบ่อยไหมยายก็ามารักเราเขาเป็นเขาเขาลักกันอยู่ดีๆ แล้วก็มาถามความเห็นเราโอ้เนี่ยเพื่อนก็ดีมันก็งั้นๆแหละเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นต่อเห็นต่อหน้าก็ดีแต่ลาบหลังเห็นได้เรื่อง น, นี่ว่ากันเริ่มแล้วเนะ่เคยไหมแบบบ่อยไหมแบบเนี้นี่ส่อเสียพูดหยาบบ่อยไหมพูดด้วยโทรศับางคนพูดกับคนไข้อะพูดหยาบได้ไหยพูดหยาบคืออย่างนี้พูดโกรธจริงแต่แกงพูดดีๆเคยมีเคยเป็นไหม คนไข้เขาเถียงไงใช่ไหมคนไข้เขาไม่เชื่อฟังแล้วก็บอกว่านี่บอกให้นั่งเฉยๆแต่ในใจโกรธมากเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ในใจโกรธมาอันนั้นหยาบไอยังหยาบเรียบร้อยใจหยาบแล้วตอนนั้นใจหยาบแล้วแล้วก็บอกว่านอนนะลุงนะนอนนะลุงนะในใจอย่าตื่นนะอย่าลุกขึ้นมาเพ่นพ่านอย่างนะี้ บ่อยไหมคำหยาบแบบนี้ไปสอนนักเรียนเนี่ยโหบ่อยมากเลยใช่ไหมบทีถามว่าอยู่ที่บ้านพ่อไม่สอนบ้างไง <c oughs> บ่อยไหม <c oughs> เออนั่นแหละคำหยาบ <c oughs> อย่าได้พูดคำหยาบเป็นบาปหนักจะเสื่อมศักดิ์เสียศีลไม่เป็นสัมอย่าด่าว่าท้าทายจะได้กรรมทุกเช้าคําคุณของแล้วมองมวงัว เตะเออถึงเรารู้อ e ีกก็จะไปหลังมาทำไมทั้งนั้นทั้งนั네้นรู้ขนาดนี้แล้วหน้าหลังไม้หลังทาไมคืออย่างนี้เราเวลาเราจะไปเป็นพยาบาลก็ดีเป็นหมอก็ดีเป็นแม่บ้านก็ดีเป็นพ่อบ้านหรือทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยคนที่เครียดคือคนที่มีทิฏฐิคือความเห็นว่า เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างที่เราเห็นหรือเราเข้าใจหรือรูปแบบที่เรารู้เรารับไว้เราจะโกรธเขาอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยต้องการอยากจะให้สิ่งที่ทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องนะเป็นตามใจที่เราอยากให้มันเป็นพอเราไม่สามารถคอนโทรลหรือบังคับได้เราก็เลยเครียดเราก็เลยกลุ่มหลักการมีแค่นี้อันนี้แปลว่าเราปฏิบัติต่อชีวิตนผิด ต่อไปไมาอยู่บ้านก็เครียดพอจิ้งจกมันวิ่งมาเครียดเลยเครียดอีกเราไม่ต้องการมันวิ่งผ่านหน้าเราอะเข้าใจยังขนาดยุงแค่ตัวเดียวเนี่ยบินในห้องยังนอนไม่หลับเลยเครียดใช่ไหมล่ะจะลุกขึ้นมาจัดการมันอยู่นั่นแหละจริงไม่จริงเห็นไหมเพราะว่าเราต้องการอยากให้มันอยากให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามใจที่เราอยากให้มันเป็ น, นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า มีทัศนคติที่มองโลกและชีวิตไม่เป็นตามที่มันเป็นนั้นเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนมุมมองสามารถมองเห็นความแตกต่างได้ด้วยใจที่เราไม่เป็นทุกข์โอ้โหถ้าอย่างนั้นโ่งเลยเนี่ยมันมีอีกเยอะมากมันไม่ใช่แค่โรงเรียนนะนะข้ามาอยู่กับแม่มาอยู่กับพ่อมาอยู่กับน้อง มาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมแล้วที่บอกคือไปอยู่ในสํานักปฏิบัติโอ้โหยุ่งเลยแต่เนี้ยสํานักปฏิบัติมันไม่เป็นตามใจที่เราอยากให้เป็นนะเข้านะเข้าใครคุมสํานักปฏิบัตินี่ฟ้องเลยแต่เนี้ยเนี่ยมันขนาดนั้น เ, นเห็นไหมแท้ที่จริงมันอยู่ตรงไหนนีตรงเนี้ยเพราะเรายังมีการวางท่าทีทางใจไม่ตรงเราอยู่กับความเห็นไง หนึ่งเชื่อสองเห็นแต่ไม่สามารถจะพัฒนาไปสู่ความรู้มันใช่ไหมมันสามระดับนี่ความเชื่อความเห็นความรู้ถ้ายังอยู่กับความเชื่อกับความเห็นอยู่อะโอ้โหยเนี้ยมันถ้าเห็นตรงกันมันก็วากันอีกทีแต่ถ้ามันเห็นไม่ตรงกันมันเชื่อไม่ตรงกันแต่นเนี้ยมันใจขนาดเห็นตรงกันมันยัง ม, มีรายละเอียดอีกนะเช่นฉันเห็นว่าเก้าอี้เนี่ยควรจะวางตรงเนี้ย เออตรงเหมือนกันเลยในะวัดซ้ายวัดขวาแล้วเห็นตรงกันโอเคความเห็นเราตรงกันอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่น่าเอาผ้ามาคลุมโอ้โหเอาละสิแต่งงานใหญ่แล้วนะเนี่ยต้องอธิบายใหญ่เลยมันดีอย่างงั้นนะเอาผ้ามาคลุมดีได้ยังไงฝนมันมีคนมาพูดเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็อะไรแล้วเนเราผ้าไม่สะอาดก็อีกอะไรเงี้ยนะโอ้โหเล่นเรื่องใหญ่นะเอาไปก็ว่ากันไปนี่เป็นความเห็นใช่ไหม แต่ความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้คนที่มันนั่งก็อาจจะไม่เป็นภูมแพ้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราเห็นว่าไม่ควรมีผ้าแล้วเราจะได้โชว์เนื้อไม้งั้นถ้าเอาความเห็นคุยกันเนะ่ะคุยทั้งวันใช่ไหมแล้วก็ขัดแย้งได้ทั้งวันแต่ถ้าหากพัฒนาจากความเห็นไปสู่ความรู้ คนละเรื่องแลยนะเี๋วนี้มันเป็นความรู้มันไม่ขึ้นต่อใครจะเห็นยังไงหรือไม่เห็นยังไงเช่นเช่นเราอยากเราอยากเราเราเราอยากให้อุณหภูมิมันยี่บห้าแต่ความรู้คือความจริงคือมันสามสิบอันนี้ไม่ขึ้นตรงต่อความเห็นเลยเดีเนี้แต่เราบอกว่าเราต้องการยี่สิบห้า เราออกไปข้างนอกไปลองลองไปทําความต้องการด้วยเดียวแต่ความสามารถเราถึงนะเราสามารถมาทําห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ติดแอร์เนี่ยได้ถ้าความสามารถมากกว่านี้ก็ทำเซนทัลนะทำเทสโก้โรตัสน่ะใช่ไหมหรือความสามารถให้มากกว่านี้ก็ได้ศูนย์การค้าใ ห, ใ, หใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ความสามารถต้องถึงเราสามารถทําความเห็นเราให้เป็นความจริงได้ตามสมควร น, นั้นแต่คุณจะสามารถขนาดไหนคุณไม่สามารถทําโลกทั้งใบ ให้มีอุณหภูมิเท่ากันได้จริงไม่จริงเพราะนั้นเป็นความรู้นี่อย่างนี้เป็นต้นมันวัดกันที่ความสามารถนี่เหมือนกันการชี้ยอมก็จะถ้ายอมมีความสามารถเนี่ยยอมก็สามารถให้นักเรียนเป็นอย่างที่ยอมเห็นนะแต่สามารถถึงไหมล่ะถ้าจะสามารถถึงบางคนเข้าไปปุ๊บหนึ่งนักเรียนนั่งเงียบหมดเลยเอาสิใช่ไหมมีจริงจรินะอายุตัวอย่างสมมติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ นักเรียนไม่ต้องบอกมันนิ่งหรอกมันนิ่งอยากจะฟังใช่ไหมล่ะโอ้ยทุกคนอยากจะฟัง อ, ะอ่ะเออัญเชิญสมเด็จประเทพอะ่ะเสด็จลองดูที่นักเรียนห้าร้อยคนเนะี่ยเขาจะโอ้อยากจะฟังเออท่านจะตรัสว่ายังไงขนาดนั้นนะเออทําอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยความสามารถเขาถึงไนงะใช่ไหมล่ะเอาให้ยอมไปวิ่งยอมจะได้เงินบริจาคเท่าไหร่ <laughs> เอาจะได้เท่าไหร่อ้าววิ่งตั้งแต่นี้เลยเ อ, าอ้าวปูอความสามารถของคนนี้มันไม่เท่ากันจริงๆนะใช่ไหมแต่ถ้ามีวิธีการเนี่ยลองดูสิอดีสมุดยอมรู้จักช่องห้าช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอ็ดโอ้โหหลายช่องรู้อีกเป็นร้อยร้อยช่องเลยมาปุ๊บเนี่ดิฉันเนี่ยอยาก เห็นโรงเรียนนี้ยากจนไม่ใช่แค่โรงพยาบาลคุณตูนเขาวิ่งให้โรงพยาบาลสิบเอ็ดแต่ฉันจะวิ่งให้โรงเรียนร้อยโรงเรียนเอาแล้วสิจีเนี้ยมันสัมภาษณ์ดังทั่วโลกซีเอเมาใครมาเบสเ็จเนี่ยฉันจะวิ่งเนจากเนี้ลบบยลพบุรีจะวิ่งออกนี้ยนะฉันออกต่างประเทศด้วยจะวิ่งไปลาวเอางั้นนะจากลาวไปเวียดนามรับบริจาคโอ้โหทั่วโลกเลยจีนี้ เห็นไหมมีวิธีการไมมได้ถ้ามีวิธีการมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ on, สร้างคนหรือคนสร้างสถานการณ์สถานการณ์สร้างคนก็ได้แต่กรณีที่เราจะทำแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าคนเนี่ยสร้างสถานการณ์มันทำได้หมดแหละอันนี้ที่พูดทั้งหมดคือต้องการต้องการให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วในโลกใบเนี้ยมีความสามารถโดยเฉพาะปัญญาถึงไหม ถึงมันทำอะไรได้หมดนะบนรรลุธรรมก็ได้นะถ้ามีบรรัญญัตไม่ใช่พูดแค่โลกิยธรรมที่นี่นี่พูดให้เห็นเข้าใจเข้าใจใช่ไหมจากนั้นที่เราเครียดเนี่ยมันมาจากความรู้เราไม่พอเราไม่สามารถทาความเห็นเราให้มันทำทุกคนให้เห็นไปตามที่เราเห็นนั้นได้แต่ถ้าเรามีความสามารถพอเราก็ไม่ต้องไปเครียดอะไร และถ้าเราพัฒนาไปถึงปัญญาเราก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปเครียดเลยเพราะว่าปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มาทําจิตใช่ไหเพราอมาทําจิตด้วยปัญญาปัญญามีจิตมันก็เกิดความอาจหานล่าเลิงผ่องใสขึ้นมาแปลว่าจิตไม่เครียดแล้วทีนี้พอจิตมันถูกฝึกนะถูกทํานะทําจิตเบสเสร็จปุ๊บเวลาไปทํากิตมันก็ทํากิตนั้นด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยจิตที่ล่าเลิงด้วยจิตที่อาจฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่น และการทํากิจนั้นมันก็กลับมาเกื้อกูลกับการทําจิตการทําจิตก็เลยไปเกื้อกูลกับการทํ า, ทาทกิจไปไปม า, มามันเลยทํากิจและทําจิตด้วยความไม่ประมาทโอ้โหไปใหญ่เลยตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยพัฒนาทุกด้านเลยตรเนี้ยทีนี้มันไม่ถึงตรงนี้นี่แหละเพราะอะไรขาดการเข้าใกล้พระพุทธเจ้าก็คือขาดการบังคับเพราะเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆทั้งหมดเหล่านี้ยว่า นักเข้านักว่าพัฒนาปัญญาปุ๊บเนี่ยโยมก็จะมองเห็นคนไข้ร้องเออ y อวามามันจะมองด้วยคำว่าเออเขาร้องเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุให้เขาร้องโรคอะไรที่เขาเป็นเราจะสามารถเกื้อหนุนหรือว่าเยียวยาเขาได้ไหมและจะทำอย่างไรวุปัญญาทำงานเลยตรนี้ พระจิตตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาก็ไปทํางานไปวิเคราะห์ไปดูว่าเออเราจะช่วยได้อย่างไรจะผ่อนปลนความทุกข์ของเขาเนี่ยให้เขามีความสุขขึ้นมาบ้างพอเป็นไปได้โดยไม่ต้องกังวลกังวายยังไงมันกลับกลายในการที่จะต้องไปทําจิตมาจากจิตที่ฝึกดีแล้ว อ, อ, อย่างนี้ไปตัวเนึ่ยพอจะมองเห็นนะเนี่ยมันจะไม่ไปทุกข์พอพอเกิดถ้ามันไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ทําจิตไม่ได้พิจารณาอะไรเพราะเขาโวยวายมาแค่นั้นโอ้โหเป็นเรื่องมันร้องอะไรกันนักกันนาดนี่ ร้องโยร้องไม่เกงใจเลยเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังฟุ้งซ่านอย่างงี้มาร้องอย่างเงยผไปใหญ่เลยเนยีนี้นก็านักข่าวไม่รู้ใครป่วยเลยดีนี้ <c oughs> <c oughs> อีกคนหนึ่งป่วยกายคนหนึ่งป่วยใจในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ระดับอำเภอก็ไม่มีจิตแพทย์ตัวเอง <c oughs> จิตแพทย์ก็ป่วยเองด้วย <c oughs> ยงเลยเียนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะ เขาเรียกข้อมูลไม่พอถ้าข้อมูลพอป่วยไหมเนี่ยข้อมูลพอก็เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเอนนี้เมื่อกี้พูดเรื่องศีลเนี่ยมาเรื่องปัญญาเนี่ยสรุปก็คือเนี่ยศีลเป็นนา ม, มาธรรมไม่ใช่รูปธรรมศีลเนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมศีรบารมีเนี่ยก็คือเจตนาศีล แล้วก็ผักดันมีความเชื่อมีความมั่นใจว่าเราจะฝึกกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามด้และการฝึกเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าศีลเนี่ยเป็นศีลระณะมีสองความหมายในศีลระศัพท์เนี่ยก็แปลว่าสมาทานังกับอุปัธฐารังนี่ใช้สั์ก่อนนีก็คือว่าศีลเนี่ยทำพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้พกพานไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลก็คือสามารถปิดบาปได้เลย ปิดบาปทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมได้เลยไม่ไม่ออกมาเกลื่อนกลลไม่มากระจายกระจายแท้จริงปิดที่ใจใจไม่ความโลภความโกรธความหลงมันไม่กุ้มรุมจิตไม่มีพลังพอกัการผักดันในการไปฆ่าไปรักหรือการไปกล่าวเท็จหรือไปการทําอาชีพที่ผิดพลาดเป็นต้นเห็นไหมตัวศีลเนี่ยเป็นตัวควบคุมกํากับไว้เป็นศีลแนะอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าเป็นอุ ป, ปะฐานังก็คือเป็นฐาน เป็นฐานเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงเหมือนยอเหมิ่นเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นต้องแข็งแรงนะเนี่ยพวกเราที่มาอยู่กันเนี่ย 20, 30, 30, นนยี่สิบสามสิบคนทั้งนันสุดนะพื้นที่แข็งแรงเนี่ยสามารถกระโดดได้ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมพร้อมกันกระโดดแรงๆได้ไหมเพิ่มอีกสองเท่าตัวไหวไหมชักเลมไม่ค่อยมั่นใจอันนี้แปลว่าพื้นไม่ค่อยดีพออา้าวให้ดีพอก็สนามบินสุวนรณภูม โอ้โหเวลาเครื่องบินระดับจัมโบ้ระดับพันพันที่นั่งลงฟืดตุ่มแรงมากเนะไม่สุดเนะี่ยตอนขึ้นเหมือนกันฟืดขึ้นไปเนี่ยโอ้โหแสดงว่าฐานก็ดีมากใช่สามารถทำให้เครื่องบินบินขึ้นก็ได้บินลงก็ได้รองรับก็ได้ศีลอย่างเราเาเนี่ยทำไมไม่เป็นที่ประชุมหรือเป็นที่รองรับของสติปัฏฐานสมบูรประธานอิทธิบาทอินทรีรย์พะ้าพวชงอริยมรร เพราะอะไรแปลว่ามันไม่แข็งแรงใช่ไหมเอออย่าแปลกใจเลยพรหมวิหารสี่สติปฐานสี่ทำไมไม่เกิดเนี่ยมันจะมาเกิดได้ยังไงมันงอนแงนเพื้นมันซดมากเลยเนี่ยใช่ไหมบางคนว่าโอ๊ยฉันทำสมาธิไม่ได้เลยพระก็จะไปบอกตรงๆก็กลัวยอมโกรธแล้วอีกพูดเอาใจว่าค่อยเป็นค่อยไปยอมใจจริงมันสดแล้ว ก็คือกุศลศีลไม่ได้เกิดเลยในชีวิตจริงอใช่ไหมล่ะคิดให้ศีลเกิดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเห็นหน้าคนก็เครียดแล้วแค่นี้ศีลจะเกิดยังไงหน้านิ้วคิ้วขมวดก็เป่งวาจาชั่วร้ายออกมาอู้แล้วศีลมันแข็งแรงไหเนี่ยในชีวิตจริงจริงหงุดหงิดได้ทุกเรื่องอ่ะบางคนได้ทุกเรื่องจริงๆรินะฝนตกหงุดหงิดนะฝนไม่ตกแดดออกแดดไม่ออกหงุดหงิดหมดนะ ที่หนักไปคนนั้นคือใบไม้ร่งงวงงดเงีบยบไงใบไม้ไม่ร่งวงงดเงียบทำไมใบไม้ไม่ร่วงถึงงดเงดีมันเหลืองเต็มต้นไม่สวยเลยไม่ยอมล่วงสัทีเครียดกับมันอีกนะใบไม้ไม่ร่วงก็งดเงียใช่ไหมเคยเป็นไหมไม่ถึงขนาดนั้นเดินเตกะกระโถนงดเงินไหมถ้าเด็กเตกะกระโถนซุ่มซ่ามเนะ้ าผู้ใหญ่เตกระโถนไมวางไม่เป็นที่เป็นทางเล่นคนอื่น <c oughs> <c oughs> อันนี้อัตยาสัยคนไทยมักเป็นแบบนี้ั้ยชอบอะไรนะโดยมากเนี่ยยกตัวอย่างนะว่าเราจะไม่โทษตนเองจะมีอัทยาสัยชอบโทษสิ่งอื่นมันจะมีสามลทัทธินยหนึ่งปกเพกตะเหตุวาทะเวลาตนเองประสบความทุกข์ ผิดหวังประสบสิ่งที่ไม่ดีเนะเจอโลกร้ายอะไรเบียดเบียนทั้งหลายเขาบอกอย่าไปคิดอะไรมากเป็นกรรมเก่านู่นเวียงไปในอดีตนู่นนะเห็นไหมเวียงไปแล้วตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบเขาจะยังนูนนะ่นกรรมในอดีตนะเกิดมาเนะี่ยปัจจุบันเนฉันทำดีมาตลอดแล้ะอันนี้เป็นกรรมเก่านี่กลุ่มหนึ่งนะ เป็นไหมพวกเราเป็นไม่เป็นเวลาเจอใครประสบความทุกข์เอ้ยป่วยเอ้ยหรือเกิดปัญหาชีวิตทั้งหลายเหล่าเนี้ยทําไมต้องมาทนอยู่กันเนี้ยชดใช้กรรมใช่ไหมมีลูกก็ชดใช้กรรมไม่มีสามีก็ชดใช้กรรมมีภรรยากับชดใช้กรรมมีลูกก็ชดใช้กรรมมีพ่อแม่แบบนี้ก็ชดใช้กรรมใช่ไหมมีพี่มีน้องเนี่ยชดใช้กรรมเก่า <c oughs> เอาใครเป็นโลกกรรมเก่าบ้างยกมือที่ <c oughs> <c oughs> เป็นไม่เ เใช่ไหมนี่เวียงไปกรรมเก่านี่กลมนึงไม่ใช่กรรมเก่าเขเรียกอิสรามนิมาณวาทะไอ้สุขทุกข์สมหวังผิดหวังเนี่ยนู่นมีเทพเจ้าดลบันดาลคอยลงโทษเราคอยให้คุณเราอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเองทําแล้วเวียงไปให้เทพเจ้าเทพเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรอะไรวะโยโยนฉันฉันก็เดือดร้อนตัวฉันแทบแย่ยังไม่โยนให้ฉันอีกเข้าใจไหมพระอินทร์พระพรหมเนี่ยโอ้ยเวียงให้เยอะให้เกิน เวลาน้าท่วมฝนแรงเทพเจ้าบางบ่พรหมบางลงโทษเกิดโรคหาระบ า, ะาดเทพเจ้าโดนลงทุงลงโทษโดนดาฟีเลยเมื่อีนี้นเพราะว่ามนุษย์ไม่อยากรับผิดชอบเข้าใจยังก็เวียงเวียงไปให้เทพเจ้าวไว้ในกลุ่มนี้เป็นไหมเคยเค ย, เคยเป็นแบบนี้ไหม กลุ่มที่สามกลุ่มเขาเรียกอเหตุกาปัจิยวาทะกลุ่มนี้โทษอะไรดวงดาวบนท้องฟา้าเหตุบังเอิญเนี่ยบังเอิญไอ้ดาวดวงนี้มันมาทับดาวดวงนี้เลยเป็นเหตุทำให้เกิดข้าวยากบางแพงทำให้ช่วงเนี้ยเวลาไปทะเลาะ ก, กับสามี หอหมอดวงก็มาดูช่วงนี้ต้องระวังจะมีทะลุงทะลอะกันดาวดวงนี้เมเตยูดวงนี้จะเกิดปฏิวั ต, รติรัฐประหารเราว่ากันไปทั่วมั่วห ม, วโมโดนเนี่ยเนีไอ้ฉันยังไไอ้เจนนี้ก็สบายเลยทลารัฐประหารไม่ใช่เพราะเราทำหรอกเพราะดวงดาวมันมาเข้าขจังหวะเนี่ยมันมาดนบรรดาลทำให้ฉันต้องทํารัฐประหารเอาไปการเมืองไม่ดีเดี๋ยวเดาคัดไวนด้นิดนึ่งแต่อนเนี้ยเนี่ยไงที่เห็นว่าจริงๆไม่ใช่ตนเองทํา แท้จริงมันเป็นผลของดวงดาวบนท้องฟ้าเหตุบังเอิญไม่มีดีเหตุปัจจัยเลยรหรอกอัในสามสามกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนน่ากลัวที่สุดกลุ่มกรรมเก่ากลุ่มเทพเจ้ากับกลุ่มบังเอิญกลุ่มกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยน่ากลัวมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรหรอกมันบังเอิญอยู่เลยน่ากลัวนะอีเนี่ยจำไว้หรอ โอ้โหอย่างยกตัวยอย่างว่ากลับไปเราไปวีนที่บ้านเต็มที่ดีจะเป็นอย่างงี้ไม่ใช่อะไรเราช่วงนี้ดาวดวงนี้มาทับมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยอลไหรอกว่าไงเด้อน่ากลัวไหมแบบเนี้ยเห็นไหมลักษณะอย่างงี้เขาเรียกทัศนคติที่ไม่ตรงนะทั้งสามกลุ่มเหล่านีเน้เขาเรียกเป็นความเห็นที่ไม่ตรงเป็นความเห็นผิดไม่เป็นสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาคนพุทธโดยมากเป็นกลุ่มแรกกับกลุ่มที่สาม ใช่ไหลไปหาพระให้พระดูดวงใหใครเคยไปดูหมอต่อชะตาบ่อยไหมไม่ค่อยเคยไปเลยถ้าพระมบินทบารเราไปใส่บาทโยมดูลักษณะของโยมช่วงนี้ดวงไม่ดีโยมไปทําสังฆทานเนะียถ้าทักนี่โยมใจวันไหวไหมหวันไหวไม่วันไหวเอาวันแรกวันไหววันที่สองไม่ก็ลด้อีกองหนึ่งมา ยิ่งยอมหน้าตาอย่างงยอมต้องไปทําสักตันองค์ที่สองวันไหวไหมเอาองค์ที่สามมาสงสัยไปลงแต่องคแรกกันสงสัยแปลงแต่องค์แรกเลยใช่ไหมเออเนี่ยเราจะรู้เลยความงอนแง่นคอนแคนในใจเราที่ไม่มั่นคงถ้าเจอลักษณะนี้เราจะรู้เลยโอ้เราเนี่ยไม่แข็งแรงไอ้คาว่าไม่แข็งแรงในที่นั้นแปลว่าอะไรเป็นปัญหาด้านทิฏฐิหรือเป็นปัญหาด้านปัญญาหรือเป็นปัญหาด้านจิตใจ ได้ปัญญาเนี่ยเนี่ยยังปัญญาไม่มั่นคงเพราะปัญญาไม่ไม่รอบรู้มันก็เชื่อคำว่าปัญญาก็แปลว่ารู้ชัดรู้ทั่วรู้ลึกรู้โดยประการอะไรต่างๆถ้ามันรู้ชัดรู้ทั่วรู้ลึกรู้โดยประการต่างๆแล้วเนี่ยมีใครมาพูดยังไงหวั่นไหวไหมยกตัวอย่างขับรถไปมีคนมาเฮ้ยผิดทางเล้ว้องไปทางนี้แต่เรารู้ว่าทางถูกคือต้องไปทางนี้แหละนีเราจะหวั่นไหวไหมไม่ใช่เอ๊ มันมีทางลัดหรือเปล่าฮะาไปเพราะอย่างนี้แปลว่าอะไรรู้ไม่ชัดถ้ารู้ชัดเนี่ยใครจะพูดยังไงเราเข้าใจจะพูดยังไงก็ไม่หวั่นไหวแต่โดยมากที่ผ่านมาเนี่ยพอบอกว่าเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ดวงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยไอ้ดวงมันคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะกระแสชีวิตมันต้องขึ้นตรงต่อสิ่งอะไรหรือจ๋าเรา ก, ก็าไม่ทราบแล้วในกรณีอย่งการ เข้าถึงคาสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไม่ถึงก็อีกอย่าแปลกใจงอนแงนกันเป็นแถวงอนแงนเป็นแถวเป็นแถวนี่เป็นแบบนี้เริ่มมองเห็นยังเอ็เมื่อกี้พูดเรื่องศีลอยู่หรือเปล่าเนี่ยย <c oughs> อมพา้ฉันมาเรื่องนี้อีกแล้วเบรกกันสักพักั้ม